ก็วันนี้ก็ครั้งแรกในชีวิตนะที่เ็าิมนให้มาเทศในมหาสารคามเพราะปกติจริงๆแล้วนะพูดในใจจริงไม่ใช่นักเทศเพราะนักเทศองค์ยอยู่ข้างหลังองค์ยอยู่ข้างหลังเป็นนักเทศแต่เราถ้าเป็นนักบู๊ใช่ฮะจะไม่ใช่นักเทศนะก็เลยให้นมนทมนให้มาเทศเนี่ย ก็ลำบากนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยโยมเพราะว่าเคยไปเทศครั้งแรกในชีวิตเลยนะปเทศที่กระทรวงอุตสาหกรรมโยมเขาจะทาเขาบอกว่าเป็นพระอระหรันตอนนี้ห้องประชุมมันมืดโยมก็เชื่อตามเขาว่าไปไปดูพระอรหันหันยังไงก็ไม่เห็น มองอะไรก็ไม่เห็นสถทีเฮ้ยทำไมอราหารันต์พีบาแล้วมันดำปืป๊ดเลยปกติพระมันต้องขาวนะฮะใช่ไหมฮะมันต้องวันนั้นอะเทปูนนะฮะคือขนาดไฟยังช่วยไม่ได้เลยฮนะดำมากเลยเ <c oughs> ขาก็เลยบอกเอ๊ะพระถังเทิงไงจะววาพอดีเขาขอสินมโยมขอเนี่หละมยมกลุ่มหนึ่งเป็นนักเกลงผู้หญิงนี่เป็นนักเกลง เขาบอกว่าอาหา์อะไรเป็นอย่างนี้เอาพระดีกว่า น, นี้มาเทศไม่ได้เหรอเออแล้วพระดำจนมองไม่เห็นเนี่ยแล้วจะเทศเป็นเหรอวันนั้นก็เลยตั้งนะโมเสจให้สินเสร็จสินไม่ครบโยมสินข้อที่สี่ไม่ได้ให้เขาเทศเทศโยมบอกถามพระท่านจะพายโยม ลมนรกก็จะขึ้นสวรรค์นนโยมใจถึงครับอาตมาบอกโยมอตาตมาเทศ ต, ต้องขึ้นสวรรค์แต่โยมตั้งหากไปนรกนที่อตาตมาให้ศีลก็สีส่โยมไม่ให้ก็เพราะโยมนั่งนินทาอาตมาจนไม่ใช่น้อยๆเลยอ่ะทั้งสี่สิบคนอ่ะพระอะไรดำปืป๋ๆเลยนะแต่จริงๆแล้วน่ะ ตมาก็เป็นพระกรรมฐ า, านตลอดตั้งแต่เกิดมาก็กรรมฐ า, านตลอดดำมาตลอดเลยนะนี่ยคือกรรมฐ า, านไม่ใช่สีจีนอนสีเนื้อตัวเลยฮะนี่สีกรรมฐ า, านถ้าพระเดชพระคุณอยู่ข้างหลังนะท่านต้องเอาคุ้มจีบอนถึงจะเป็นกรรมฐ า, านอทาไมคุ้มจีบอนไม่เป็นกรรมฐ า, านเพราะขาวจั่วเลยนะฮะตมาเนี่ยเปิดก็ยังเป็นกรรมฐ า, าน <laughs> ก็อนุรักษกรรมฐ า, านไว้โยนม เลยบางคนบอกทำไมถึงไม่ข่าวสิทธิเห็นมาสิปียี่สิบปี30สิปีคือจริงๆแล้วน่ะชาติก่อนน่ะคงจะอยู่ที่ประเทศอินเดียเพราะว่าตายประเทศอินเดียที่เมืองพราศีก็เผาไม่ไหม้เขาก็เลยทิ้งลงน้ำไปเลยก็เลยที่มันดำตลอดนะเพราะเผาลวกๆวยม่ะเผาลวกวกใช่ม เอออย่างประเด็พระคุณนี่ไห่เลยเครี้ยงเลยฮะไอ้ น, นี่ไฟพื้นไม่พอฮะพืนไม่พอก็เลยไปเลยทิ้บลงไปเลยมันน่าจะเป็นนะมันต้องมีเหตุนะไม่ต้องมีเหตุนะก็เลยเนี่ยไปก็ก็เลยวันนี้จะให้มาเทศนะคุโยมต้องทําใจนะขนาดลง้งอยู่กับลุงตาลุงตายัางขังไว้ในห้องนะเพราะความมืดนะฮะเออความมืดเพราะลุงตาลมองไม่เห็น ทำกิจวัตรใส่กุญแจไว้เลยเรียบร้อยดำขนาดไหนอะยู่บ้านตาดเขาเรียกอไดากี้โฆษณาทุกฉบับเลยหนังสือพิมพ์ทำไมยาซีฟันดากี้ดำเสียงมันกล้องเกินไปเปล่าข้างหลังฟังรู้เรื่องไหมเสียงโกคูนมากหรือเปล่าระยนไหน เคยเห็นนะตะมาบ้างและคนไหนไม่เคยเห็นอนี่หมายความไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นวันนี้ใช่ไหมฮะต่ะมาโชคดีคนมหาธารคามเห็นแล้วใช่ไปกติถ้าอาจารย์นี้ไม่ในมณฑ์หมาโยมก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกถึงเดินผ่านยังไงก็ไม่เห็นอยู่ดีฮะามจริงไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็นฮะ เาะที่ไม่เห็นอะไรอันนี้ต้องพูดก่อนนะจะไปพูดพูดธรรมะเนาะไปที่เยอรมันอ่ะไปเป็นประธานการเล่นเขียนก็พูดธรรมะเนี่ยโยมก็มองคือมองไม่เห็นโยมพูดพูดคือใครเห็นแต่ผู้นั่งเรียงๆขาวหมดแต่องค์พูดมันดํามองไม่เห็นโยมก็เลยบอกขอโทษเธอพระที่พูดอยู่ตรงไหนที่เธอจะอยู่ว่าแถวว่าตอนที่ตามาหัวเราก็บอกอ๋อ เห็นแล้วฟันขาวนี่ขนาดนะมองเห็นแต่ฟันนะตัวไม่เห็นเลยเนะี่ยพึ่งไปมาก็เลยโยมเขาพูดก็เลยเราก็ดีใจว่าขนาดไม่เห็นพยายามมองจนเห็นเนะี่ยไม่ใช่ธรรมดาเรัก็วันนี้ก็ที่เราจะคุยธรรมะกันก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าธรรมาคิดวันโยมปฏิบัติมาเยอะแล้วนะ เพราะว่าหนึ่งพุทธโธเราก็บริกรรมมาเยอะแล้วใช่ไหมทำโมก็บริกรรมทั้งโคก็บริกรรมนะหายใจเข้าหายใจออกก็บริกรรมมาแล้วทุกอย่างที่ว่ากระบวนกาแต่ตมาเพิ่งเปิดบริษัทใหม่บริษัทอะไรมาบริษัทนิ้วเย็นโยมเพิ่งเบอรเปิ ด, ปดบริษัทใหม่ก็เลยตมาจะขายขายสินค้าตมานะโยมจะซื้อไหม ซื้อนะอถ้าจะซื้อจะมาจะขายให้ฮะบริษัทน้ำเย็นวันนี้ก็จะสอนกรรมาฐานแบบไม่ใช่พิสดานะฮะทำไมเสียงมันนิ่งมันไม่นิ่งเลยฮะเลยตอนนี้ก็จะให้ญาติโยมนั่งภาวนาและกินน้ำ ลมเคยเคยกินน้ำยังเคยยังเคยแล้วใช่ไหม <walls> เพราะว่าอาตมาเป็นพระจังหวัดชุรินพระจังหวัดชุรินเขาไปที่ไหนก็เอาเหล้ารับกันกินเหล้าแต่ในทนะอาตามาเป็นพระไม่ต้องเอาน้ําเย็นรับก่ อ, อนจะพางเทศ ต, ต้องกินน้ําเย็นก่อนเตื้อมอย่างอย่าสั่งแต่นี่ยาสั่งนีน่ลมนั่นหละนี่ยาสั่ง ท่านโยมไม่กินอนตมาก็สั่งไบได้ท่านโยมกินปุ๊บหมดแก้วตวมาจะสั่งได้ทันทีเลยเอ่นะอย่าเพิ่งกินนะเก็บไว้ก่อนเดีย๋ยวตมาเปิดถ้าตมาที่เราทำเมื่ อ, อ, อไรดังยิงเลยฮนะเอาแจกันไปกลัวไหมพระดำมาจากจังหวัดสุรินทร์พระสยศาสตร์ พระกาศาสตร์มาเทศธรรมาทให้ฟังเอาแจกกันทุกคนนะนันโย ม, มทำไมอตาตมาให้กินน้ำเย็นโยมเพราะถ้าไม่มีน้ำเย็นอาตามาเรียกวิญญาณโยมไม่ได้มาเลยเพราะตอนนี้วิญญาณโยมไม่รู้อยู่ที่ไหนหาไม่เจอแต่ถ้ามีน้ำเย็นเน่ะกินหมดครึ่งแก้ว โยมจะรู้เลยวิญญาณโยมกําลังตามน้ําเย็นไปเขาจะไหมออตอนนี้จะเรียกสติเรียกไงก็ไม่ได้ฮะลองนึกไปอะไรก็นึกไม่ได้หรอกอาตามาให้โยมนึกอะไรก็นึกไม่ออกหรอกเพราะว่าวิญญาณยังไม่เข้าร่างเลยต้องเอาน้ําเย็นเป็นอุบายเรียกวิญญาณเข้าร่างเข้าไหม <laughs> เรียกวิญญาณเข้าร่างยังไม่ครบเลยเนาะก็าลังแ ก, ก้กันวิญญาณสําคัญมากเลย นะถ้าวิญญาณไม่อยู่เนี่ยภาวนาไม่ได้รู้เรื่องหรอกต้องเรียกวิญญาณก่อนนะกลัวนะกลัวมากเลย <c oughs> เอานะ เ, าเดี๋ยวแก่กันก่อนคือตัวนี้มันเป็นอุบายนาโยมนะ ตมาจะพูดให้กระจ่างเลยก็ได้มันเป็นอุบายวิธีการภาวนาภาวนาด้วยน้ำเย็นเรากินน้ำเย็นตมาสมมติว่าน้าเย็นเป็นโจรสติเป็นตารวจตารวจต้องตามจับโจรใช่ไหมฮะอ่ต้องตามจับโจรว่าโจรมันลงไปถึงไหนตารวจต้องตามไปตามไปตามไป จนสุดท้ายโจรอยู่ตรงไหนตำรวจอยู่คู่กับโจรอยู่ไปเรื่อยโจรก็ไม่ไปไหนแล้วจะขโมยใครก็ไม่ได้อันนี้คือน้ำเย็นนะฮะที่จะให้กินนะฮ ะ, ะน้าเย็นเพราะน้ำเย็นกินแล้วลงลงไปในท้องเราแน่นอนจะไม่ไปศุรินแม่ลงไปในท้องเพียงแต่ว่าน้ำเย็นเนี่ยมันทำให้เราระ ล, ลึกได้คือสติ สติเราตามน้ําเย็นเข้าไปน้ําเย็นหยุดตรงไหนสติหยุดตรงนั้นน้ําเย็นอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่สติตามไปสุดท้ายโยมก็เข้าสมาธิง่ายๆแบบไม่ต้องไปหาอะไรอื่นมากกว่านั้นเลยนะฮะทั้งนั้นโยมก็มากําหนดแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกพุดเข้าโทออกอย่างนั้นนะฮะทั้งนั้นเรือตมาต้องเอาอยาสั่งมาพร้อมอยาสั่งเนี่ตมาไม่ได้ทําเองอาจารย์นี่ทำ ไม่ได้มาจากจตวัสษุรินเอาว่าไงหนุม่มกำลังมานะโอย่าสั่งนี้ต้องมาแบบลำบากหน่อยอ ม, มาแล้วเห็นไหมสั่งได้อ ะ, อะถ้าใครปวดเยี่ยวลุกเยี่ยวได้เลยเดี๋ยวว่ากินแล้วปวดเยี่ยว อืมอันนี้บริษัทใหม่เพิ่งเปิดเพิ่งประกาศขายอยู่เนี่ยขายนำยืน <c oughs> เอ่อ๋อยวเพิ่งอย่าเพิ่งทานนะเออถือไว้คนละคนละกวดกวดก่อนนะเอาถือเลยนะอันนี้มันเป็นอบายพิเศษโยมฮนะเนาะอบายพิเศษมาก เดี๋ยวเจ้าคณะจังหวัดมาตรการไปแจ้งความว่าธรรมาเอาพานโยมกินยาสั่งให้ตำรวจไม่จับเป็นไงกางหลังครบกันยังไม่ไงเคียวมากก็เอาออกคันจะได้วะ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 บุทรัางสรนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิแต่วันนี้ก็จะหาอุบายพิธีการปฏิบัติธรรมก่อนนั้นก็ขอนามาตรการประเดชปรคุณเจ้าคณะจังหวัดมหาธราคาม ที่พระเดชพระได้มานั่งเพื่อช่วยพลังให้ผมกลัวผมจะตกธรรมะนะฮอันนี้ก็ขอความได้รับความเมตตาอย่างมากนะแล้วก็พระเทระเทระที่มาประชุมในครั้งนี้ตลอดถึงอาจารย์ท่านด็อกเตอร์เจ้าของโครงการนะระเพราะเลือกโครงการหลายอย่างที่ท่านได้มีจิตธาเลื่อมใส ในเรื่องการปฏิบัติวิปัฒนากรรมาฐานอาตมาเองก็ก็ไม่ใช่เป็นพระธรรมดาเป็นดอกเหมือนกันอาตมาก็เป็นด็อกเตอร์แต่สาขาของตามาแตกต่างกับคนอื่นเขาด็อกเตอร์ขยันสาขายุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาคเพราะว่าบัญชาการรบกับเขเมรผ่านมา เขาก็เห็นความสามารถแล้วก็เลยถวายดรกิติมศักดิ์สาขายุทธศาสตร์อ้าวตอนนี้ก็เลยได้เป็นดรอกเตอร์ของเขาอยู่ฮะนะไม่ได้ต้องเรียนหรอกฮะดอรของเนี้ยเรียกดรขยันนะเลยวันนี้ก็เลยงานโยมเองก็ฟังครูบาอาจารย์มาเยอะมรณภาพไปก็เยอะจนไปนี้ผ่านจนบางองค์ถึง ไปอยู่พรหมโลกเกือบจะกลับมาเกิดพวกเราก็ฟังธรรมอยู่ฮะเพราะธรรมะนะเป็นธรรมละเอียดและเป็นธรรมที่หาได้ยากมากไม่ใช่ว่าทุกคนจะหาได้ง่ายๆฮะทั้งนั้นอุบายอุบายหาธรรมะมันต้องมีหลายอุบายอุบายที่เราเคยปฏิบัติกันมากก็คือว่าบริกรรมพุทธโธพุทธโธหายใจเข้าหายใจออก หรือบางคนก็ไปฝึกอบรมวิทยายุทธหลายสำนักขึ้นมาตั้งแต่ยุคหนอฟองหนอธรรมะอารหังอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดอุบายนั้นอนะ่ะเพื่อน้อมสติเข้ามาสู่ข้างในถ้าสติเข้ามาสู่ข้างในมันก็จะได้เป็นสมาธิแต่ตอนนี้วิธีการน้อมมาอนะ่ะมันน้อมยากรละลึกยากอาตมาก็เลยมี บริษัทตั้งขึ้นมาใหม่บริษัทน้ำเย็นพัฒนาน้ำเย็นพัฒนาเนี่ยน้ำเย็นที่จะให้โยมกินไปเนี่ยถ้าอยู่ข้างบนนี่ก็อยากให้โยมกินไปครึ่งครึ่งขวดนะฮะคนละครึ่งขวดนะฮะอ่ครึ่งขวดเสร็จแล้วน้ำเย็นตรงเนี้ยบอกไว้ว่าน้ำเย็นมันกินแล้วมันลงโยมก็เอาสติโยมตามไปว่า น้ำเย็นตรงนี้ลงไปถึงตรงไหนให้สติตามไปถึงตรงนั้นน้ำเย็นันก็ลงไปหรือมันเป็นอุบายมันเป็นอุบายวิธีหนึ่งที่อาตอมาเอามาสอนญาติโยมถ้าโยมไหนกินบททั้งขวดได้มันก็ยิ่งดีเพราะน้ำเย็นอะ่ะมันจะช่วยทำน้ำหนักให้น้ำมาลงไปถึงกระเพาะเราได้แต่ถ้าเรากินน้อยๆกัวปลวนยาสังเขม็ม รับรองสติไม่มาเพราะน้าเย็นน้อยความร้อนของร่างกายมันแรงขนาดหอยยังละลายได้ทังนั้นเราจําเป็นต้องกินเยอะหน่อยทั้งนั้นวันนี้เริ่มต้นอยากให้โยมข้างบนเนี้ยนั่งพับเพียบอย่างนี้อาตมาว่าน้าอาตมาจะลงลําบากเพราะมันโคง้งโค้งอยากให้ทุกคนอนะ่ะคุกเขา่าใช้เวลาประมาณสองนาทีสามนาทีนะฮะอ่าให้กินไปเลยฮะ เอากินเลยเปิดไปเลยฮะไม่ต้องอาตมาเปิดให้อย่างน้อยหมดครึ่งขวดนะหมดให้ครึ่งขวดเลยเหมดครึ่งขวดเลยนะไม่มีพระองค์ไหนเขามีน้ำใจเท่าตามาหรอกพระตามาเป็นพระมีน้ำใจจริงๆด้วยฉั้นไปเยอะๆฉันให้อร่อยออฉันให้อร่อยนะ ตอนนี้โยมคุกเข่าให้โยมระลึกดูก่อนตามน้ำเย็นว่าน้ำเย็นกินไปแล้วมันลงไปถึงไหนรละลึกตามไปถ้ายังไม่ถึงท้องเราก็ให้ดื่มเข้าไปอีกหน่อยถ้ามันถึงแล้วไม่ต้องดื่มแล้วถ้ามันลงถึงพอเราจับได้ว่าน้ำเย็นถึงกระเพาะแล้วถ้าถึงกระเพาะปุ๊บ มันมีความรู้สึกตรงนี้แล้วรู้สึกให้โยมระลึกสติโยมเนี่ยให้ระลึกตามน้ำเย็นเข้าไปนะฮตอนนี้ถึงกระเพาะยังทุกคนใครยังไม่ถึงจะเติมอีกขวดหนึ่งถึงยังถึงยังฮะลงแล้วนะถ้าลงแล้วโยมนั่งพับเพียบได้แล้วน้องพับเพียบได้แล้ว อ, อ อา้าวตอนนี้ให้โยมให้ระลึกดูว่าน้ำที่กินไปนี่มันลงไปถึงตรงไหนให้โยมหลับตาให้สติโยมระลึกตามไปยอมไม่ต้องบริกรรมพุโทโธไม่ต้องมาสติไม่ต้องมากำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกให้สติระลึกตรงน้ำเย็นๆในท้องเรา เราดูว่าความเย็นลึกไปถึงตรงไหนทัติเราก็ระลึกตามไปให้ปล่อยความรู้สึกลงไปลึกๆก็ไปเพราะน้ำเย็นมันทำให้เรารู้สึกได้ถ้าไม่มีน้ำเย็นจะให้โยมไปนึกตรงนี้ก็นึกยังไงก็ไม่ได้เพราะน้ำเย็นมันตัวทะลวงให้จิตของเราดิ้งลงลงไปเรื่อยๆก็พยายามสังเกตนะ ไม่ต้องเพ่งดูการเพ่งอ่าการเพ่งมันจะเป็นนิปายก้อโยมแค่ให้คําว่าร ะ, ะลึกระลึกรู้รู้ว่าความเย็นสุดท้ายของมันนั่นน่ะอยู่ตรงไหนไม่ใช่เย็นที่คอนะเพราะน้ําไม่ได้อยู่ที่คอแล้วตอนนี้น้ําไม่ได้อยู่ที่หน้าอกแล้วน้ําลงถึงกระเพาะเราแล้วตอนนี้เพียงแต่ว่าในกระเพาะของเรามันอยู่เหนือสะดือหรือใต้สะดือ ถ้าอยู่ใต้สะดือสติโยมก็ให้ระลึกดูพยายามระลึกรู้ตรงน้ำเย็นอย่างเดียวพยายามนึกไว้นึกไว้เลยนะพยายามดูว่าความเย็นเย็นมากเย็นน้อยก็แล้วแต่ก็พยายามนะฮะทั้งนั้นโนยมต้องปล่อยตามไปถ้าโยมปล่อยตามไปมันก็สบายแต่ถ้าโยมอันไว้มันก็อึดอัดงั้นมันอึดอัดจิตจะไม่รวมลงนะฮะ ดังนนในระลึกตามไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆไปวันนี้ธรรมะของเราคือดูความเย็นอย่างเดียวพยายามสติของเราให้มีความรู้สึกต่อเ น, นื่องกับความรู้สึกประเย็นน้าเย็นกระทึงท้องน้อยก็ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปาก้อยเข้าไประลึกเข้าไปตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเขาหยุดอยู่ตรงไหนเราก็หยุดตรงนั้นนะถ้าเราไม่หยุด สมาธิเราก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเราตามน้ำเย็นไปน้ำเย็นมันสุดท้ายมันต้องมีทุตัวหยุดหยุดสุดท้ายตรงไหนทติเราก็หยุดตรงนั้นเราหยุดนานๆๆๆไปจิตเราก็สงบเราถึงเข้าใจว่าสมาธินั้นอ่ะมันนั่งสมาธิมันถึงทำยังไงถึงจะเป็นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้นั้นจิตต้องหยุดก่อนจิตต้องหยุดนะฮะ ถ้าไม่หยุดก็จะไม่เป็นสมาธิทังนั้นการหยุดเราจะหยุดอย่างไรถึงจะเป็นสมาธิทังนั้นน้ำเย็นที่อุบายตัวเนี้ยหยุดกับสุดท้ายของความเย็นกับความเย็นอยู่ตรงไหนก็นึกไปแล้วลึกไปเรื่อยๆเย็นมากเย็นน้อยโยมก็พยายามเอาสติตามไปพยายามระลึกไว้ดูให้ว่าความรู้สึกความรู้สึกเย็นกับสติเราอะ ให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยย<จร>ิ่งดีหนะ่าให้เนื้อเดียวกันกับความเย็นตรงนั้นสติกับน้ําเย็นเป็นเนื้อเดียวกันเราตั้งความรู้สึกเรื่อยๆไปตัว น, นั้นดูเย็นมากเย็นน้อยก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยน้ําเย็นมันก็ค่อยแวกเข้าไปแหวกเข้าไปก็ลงก็ทบแช็คก็ทบกก็แจ็คไปเรื่อยเราก็พยายามดูดูดูไปเรื่อยพยายามเรื่ อ, ร, ร, อ LP, รู้ตรงนี้ไม่ต้องไปดูอย่างอื่น เพราะถ้าไม่มีน้ําเย็นจิตโยมก็จะออกไปข้างนอกถ้ามีน้ําเย็นอ่ะมันจะออกไม่ได้เพราะน้ําเย็นมันอยู่ในท้องเราอ่าน้ําเย็นเป็นอุบายเฉยๆน่าน้ําเย็นเป็นตัวนําเป็นตัวนําทางนําทางให้จิตของเรารวมลงเข้าไปเขาว่าจิตรวมจิตดิ่งจิตลงนั้นน่ะเราได้ยินแต่ชื่อ Assim, e. แต่เราไม่เข้าใจว่ามันดึงยังไงมันรวมยังไงแล้วมันลงยังไงแต่ถ้าได้ไปกินน้ําเย็นโยมก็ได้เข้าใจอ๋อมันลงแบบนี้เองแล้มันรวมแบบนี้เองแล้วมันดึงแบบนี้เองนะฮะตอนนี้ความรู้สึกของเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือเกาะความรู้สึกไปเย็นไว้ก่อนเกาะอยู่ตรงนี้เกาะนานนานานนานานนานนานไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆไปเรื่อย ไม่ต้องดูอะไรดูตรงนี้ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสังเกตไปเราก็จะรู้เองว่าจิตใจของเราไม่บล็อกแวกไปที่ไหนอ่เราก็จะเข้าใจพยายามลึกรู้ตรงนี้จิตเราก็จะไม่ออกนอกแต่ถ้าไม่มีน้ําเย็ยนมันก็จะออกไปแต่ถ้าเอาน้ําเย็ยนมันก็จะอยู่ข้างในจิตมันอยู่ข้างในถึงจะเป็นธรรม ถ้าจิตออกนอกก็ไม่เป็นธรรมเพราะจิตมันออกไปข้างนอกดังนั้นธรรมะธรรมะของเราเหมือนที่่าปบุตรทางสร้างกัญชามิทัมางสรางกัญชามิสังคังสารางกัชามิคือให้เราน้องระลึกถึงผู้รู้ของเราเป็นสารณะให้เป็นสารณะคือเหมือนความที่เรากำลังรู้สึกตรงนี้ความรู้สึกเย็นๆเนี่ย เอาความรู้สึกของเราตรงนี้ให้เป็นจาระณะเขาเลยเลยทำไมผู้รู้ตรงนี้เป็นชนะเพราะมันมีเป็นผู้รู้จิตของเราคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่นสอนทำลงทำทั้งหมดเพื่อไปหาผู้รู้ถ้าให้เรายึดมั่นในจาระณนะคือผู้รู้ของเราตองนี้ผู้รู้อยู่ตรงไหนถึงจะเป็นสาระณะได้ ผู้รู้ต้องอยู่ในองค์ของข้อวานสมาธิหรือสติกับปัญญาหรือสติกับปัญญาถึงจะเป็นสารณะได้แต่ถ้าไม่รู้ตรงนี้ถึงจะเป็นสารณะยังไงก็ไม่เป็นสารณะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนลงตรงนั้นท่านสอนลงที่จิตของเราล้วนๆเทนั้นเองทั้งอนันาทีของเราก็ทำลงตรงนี้ไปเรื่อยๆ ทำไปทำไปจนมีความเชื่อมติดเป็นอัตโนมัติจนอัตโนมัติความเย็นของเราก็มีเย็นขึ้นไปเรื่อยๆเย็นไปเรื่อยๆเย็นไปเรื่อยๆคือปกติน้ําเย็นของเรานั้นน่ะมันอยู่กับร่างกายของเราไม่เกินห้านาทีน้ําก็จะลายไปหมดแล้วนะไม่อยู่แต่ตอนนี้ไอความเย็นยังอยู่กับของเราตรงนั้น อยู่ตรงนั้นเพราะว่าทำไมมันยังเย็นอยู่เพราะสติของเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นถึงมันจะได้รู้สึกว่ายังอยู่แต่ถ้าสติไม่อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่รู้ว่าเย็นถึงอาตมาบอกอาตมาคำว่าเรียกวิญญาณญาิโยมกลับคืนมาเรียกสติญาิโยมกลับคืนมากลับมาในตัวของเราเถอะกลับมาและจะเรียกยังไงถึงจะกลับมาได้อาตมาก็จะต้องเบาเครื่องไม้เครื่องมือ เรียกวิญญาณคือน้ําเยินเรียกสติขึ้นมาถ้าสติของเราระลึกได้ตรงนี้ระลึกต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องคำว่าสมาธิเราไม่ต้องสงสัยเกิดขึ้นแน่นอนนะเกิดขึ้นแน่นอนสมาธิเกิดขึ้นก็สมาธิเ ก, กาเกิดขึ้นแล้วจิตของเราก็สงบนะเกิดรู้อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวตอนนี้เราทำหน้าที่ของเราพยายามให้ไปรู้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ เรืๆๆๆ่อยๆรู้ uh, ไปเรื่อยๆพยายามให้ได้ลึกต่อเนื่องต่อเนื่องอย่าเพิ่งไปรู้อย่างอื่นเพราะอย่างอื่นเรารู้มาตลอดชีวิตเราแล้วเรารู้หมดแล้วแต่เพียงแต่ตรงนี้เรายังไม่เคยรู้อ่าตรงนี้ยังไม่เคยรู้เราก็ให้รู้ตรงนี้ถ้ารู้ตรงนี้เรื่อยๆไปจิตใจของเราก็จะไม่ออกไปข้างนอกจะไม่ออกนอก มันก็เลยจอดคล้องกับคำธรรมะหลวงปู่ดูลท่านบอกสิจิตทรงออกนอกเป็นสมุทยัยจิตทรงออกนอกเป็นสมุทยัย จ, จ, จ, จ, จิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นมรจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งตรงไหนแจ่มแจ้งถึงตอนนี้พวกเราก็คือความชัดเจนกับความรู้สึกเยน็นนั่นจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งคำว่าชื่อจิตก็คือความหมายคือผู้รู้นั่นเอง เรามีความสัมผัสผู้รู้ชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นมักมักอะไรมักกรจิตคือการระลึกชอบตั้งสติชอบสมาธิชอบแค่สามชอบเราก็แน่นเปึกแล้วนะเราต้องให้มีความชอบระลึกชอบมันจะเข้าองแปดมักองแปดนะฮะ ถ้างั้นเราก็พยายามทำให้เกิดเป็นอัตโนมัติกันเลยเชื่อมไว้เชื่อมไว้เชื่อมไว้เพราะจิตทรงออกนอกหลวงปูดูลบอกเขาว่าสมุทยัยสมุทัยนั่นคือกองสังขารสังขารทั้งห้าไม่ใช่จิตทำไมว่าสังขารไม่ใช่จิตเพราะถ้าคนไม่เข้าใจจิตก็เอาจิตมาเป็นสังขารสังขารมาเป็นจิต ถึงพวกเราเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่จากเอาสังขารเราไม่เอาไปหาจิตถ้าเราเอาจะถ้าเราไปเอาจิตสังขารก็ไม่ไปรบกวนเราอาสังขารจะไม่รบกวนเพราะเราไปหาจิตเจอถ้าเจอจิตสังขารก็หายถ้าเจอสังขารจิตก็หายทั้งนั้นเรามาภาวนานะเป้าหมายของท่านทั้งหลาย ก็ต้องการเจอจิตจุาของถามว่าจิตเจ้าของจริงๆมันเป็นอย่างไรกันแน่จิตของเราจริงๆนะ่ะแม้แต่โกรธยังโกรธไม่ได้โลภหลงก็ยังไม่ได้เลยเพราะจิตของเราคือความว่างความว่างปราจะจากการปรุงแต่งนั่นเขาเรียกว่าจิตความว่างปราปความว่างปราจะจากกาย้าทั้งสี่นั้นเขาเรียกว่าจิต อะไรที่ปราจิจากท่าสี่คนห้านั่นเขาเรียกว่าจิตแต่ถ้าอะไรที่ปราจิจากท่าทั้งสี่คันคันทั้งห้าปราจิจากกันได้มันนั้นไม่ใช่จิตเขาเรียกว่าสังขาร <c oughs> เขาเรียกว่าสังขารเพราะสังขารมันเป็นไฟไฟของสังขารในบทโซนเมงก็อยู่แล้วว่าราคะกินาโทสกกินาโมหกินา มันเป็นไฟมหาศาลเลยฮะทะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนลงที่จิตเพราะพระพุทธองค์ท่านรู้แล้วว่าสังขารมันเป็นไฟความโลกก็เป็นไฟความหลงเป็นไฟโกรธก็เป็นไ ฟ, กกนไฟท่านถึงมาปรับ <c oughs> สภาพสอนลงที่จิตให้ทุกคนผู้ศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธองค์แล้วพยายามลงเข้าไปหาสู่ที่จิตถ้าเจอจิตแล้ว ความทุกข์ทั้งปวงค่ไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะจิตนั้นไม่เคยทุกข์จิตไม่เคยทุกข์จิตไม่เคยเศร้าหมองจิตไม่เคยวุ่นวายไม่กระวนกระวายทั้งนั้นนั่นคือจิตไอ้ที่กระวนกระวายทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั่นน่ะนั่นน่ะมันสังขารทั้งนั้นพวกเราเนี่ยเราต้องการออกจากสังขารเพื่อให้จิตของเราอะมันอิสระ ให้มีความเป็นอิรอนอสรนะะไม่อยู่ในกองสังขารนะทั้งนั้นงานที่จะไปอยู่ในกองสังขารเราลงตรงไหนถึงจะตัดสังขารได้ให้โยมลงไปตรงที่กําลังไปนี่แหละ <c oughs> กําลังที่ไปนี่แหละให้ไปายามจับความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ทําให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนเป็นอัตโนมัตินะตรงนี้ จะไม่ลงทั้งขานเพราะจิตตรงนี้จะสังขารจะปรุงแต่งไม่ได้แม้แต่ลมหายใจเคยสังเกตลมลมก็คนละส่วนกันร่างกายของเราเหมือนแต่ก่อนเราต้องทุกข์กับร่างกายแต่เรามาดูตรงนี้ก็คนละส่วนกันทนั้นลงไปหาผู้รู้ตรงนี้ให้ชัดเจนให้เกิดความลึกซึง้งน่ะให้เกิดความวันลึกซึง้งลึกซึ้งเนี่ยอ่ามันก็คือ ถ้าเราเกิดทำให้เกิดความลึกถึงเราต้องศรัทธาการศรัทธาในความรู้สึกตรงนี้ด้วยศรัทธาก็คือความมีศรัทธาและลึกรู้รู้อยู่ตรงนี้ไม่ศรัทธาอย่างอื่นถ้าเราศรัทธากิเลสเราก็เห็นกิเลสศรัทธาความโลภ ก, ก็เห็นโลกถ้ากันเราจะมาศรัทธาผู้รู้ที่ไม่มีกิเลสดีกว่าเราต้องใช้ความศรัทธาคือการระลึกรู้ให้ต่อเนื่องต่อเนื่องกันไป โยมได้เลึกตามไปให้ชัดเจนเลยฮะให้มันเกิดความลึกซึ้งของเราลึกๆก็ไปพยายามนึกไปนึกไปนะพยายามท่านโยมจับตรงนี้แล้วไม่มีจิตใครออกนอกเลยนะจะออกนอกไม่ได้ทั้งนั้นอาตามาเป็นสิทธิ์หลวงปู่ดูลก็ลงสิทธิ์ลงตามมหาบวัวหลวงปู่ดูลนั่นบอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้ ยุดคิดถึงจะรู้ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละถึงจะรู้รู้อะไรรู้จิตของเราหยุดคิดแล้วคิดอะไรคิดไปข้างนอกคิดไปข้างนอกหยุดแล้วนะรู้แล้วว่าหยุดของเราหยุดแล้วตอนนี้ไอ้ที่หยุดของเราหยุดได้ตอนนี้ห ย, ยุยไดนนยได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เราก็พยายามสักคือพยายามดูจิตตรงนี้อย่างเดียวพยายามป้อนเข้าไปสติเข้าไปสติเข้าไป เไปเรื่อยๆไปดูทั้งพยายามตั้งเกตน้ําเย็นหายยางเอาถ้าหายแล้วไม่ต้องหามานะถ้าน้ําเย็นหายหายตรงไหนตั้งสติตรงนั้นอย่าเพิ่งไปถอนไปที่อื่นนะตั้งสติหายตรงไหนตั้งสติตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นไม่ต้องหาตั้งอยู่เฉยๆวางเฉยๆวางอยู่นั่นน่ะอย่าเพิ่งไปท้ายไปขวาไปหน้าไปหลังวางไว้เฉยๆงั้นหมายถึงน้ําเย็นหายแล้ว แต่ถ้าน้ำเย็นความเย็นจะไม่หายความเย็นลึกซึ้งขนาดไหนโยมก็ตามเข้าไปนะตามเขาไปเรื่อยๆดังนั้นจิตของเราบางคนสติไม่เคยคิดตรงนี้ตอนมาคิดตรงนี้ปั๊บคิดไม่ทันคิดไม่ทันเพราะจิตมันจะพาไปเที่ยวข้างนอกมันจะพาไปเที่ยวข้างนอกคือมันจะพาไปรับแขก ตอนนี้จิตอย่างที่อาจรมาสอนเป็นจิตที่ไม่รับแขกเขาเรียกจิตใจดําไม่รับแขกนะไม่รับแขกจะออกไปนั้นออกไม่ไปจะไปรับไหนก็ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไไม่ปอย่างเดียวหยุดอยู่ตรงนี้อย่างเดียวฮะหยู่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ไปฮะแต่การไม่ไปไม่ไปถ้าเกิดโยมไม่ไม่เอาล้ละความรู้สึกน้ําเย็นอะโยมต้องค้นหาต้องค้นหาว่าฉันจะหยุดตรงนี้หยุดกับอะไรไม่มีที่หยุดเลย หย <asthma> ุดกับอะไรเพราะไม่ม so oh no so ีฐานการหยุดนะไม่มีฐานการหยุดก็เลยไม่มีที่หยุดจะหยุดกับอะไรก็เลยต้องมาถึงบอกะให้หยุดกับน้ำเย็นกับความเย็นเย็นแต่ตอนนี้น้ำเย็นอ่ะมันหมดแล้วนะโยไม่เข้าใจนะแต่ความเย็นยังอยู่ความเย็นรู้สึกเย็นเย็นยังอยู่ตามเข้าไปเรื่อยๆข้าไปนะเออพยายามนึกไว้นึกไว้นึกไว้ นึกไม่ได้ก็พยายามเลึกไว้ได้เลึกไม่ได้ก็พยายามนึกไว้พยายามนึกคือทําไมเราต้องมานึกตรงนี้เพราะเรานึกข้างนอกมาเยอะแล้วตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้นึกข้างนอกยางนึกได้แต่ทําไมจะนึกตรงนี้ทําไมนึกไม่ได้ทําไมนึกไม่ได้มันเป็นอะไรถึงนึกไม่ได้หรือมันร้ายแรงขนาดไหนถึงนึกตรงนี้ไม่ได้อ่า ถ้าถึงแล้วระลึกน้ําเย็นอ่ะน้ำนึกตรงเดียน้าเย็นถ้าน้ําเย็นหายแล้วก็มันไม่มี น, น้ำเย็นก็นึก อ, อกตรงที่หายนั่นแหละนึกตรงที่หายเลยอ่ะไม่ต้องไปหายอย่างอืงอ่นนึกระลึกไปเดี๋ยวความสติก็ฟื้นขึ้นมาทําให้รู้แล้วอ๋เรานึกว่าความเย็นหายแล้วที่แท้ยังอยู่ที่เก่านี่เองหน้าที่เก่านี่เองไม่ได้ไปไหนเลยไอ้ที่มันหายไปอ่ะไม่ใช่ใครเพราะโยมคิดเสียดายข้างนอก เลยแวบไปก็หายตรงนี้ไปอาตมาก็ไม่อยากโยมไปเที่ยวก็อยากอยู่ข้างในคืนซะมาอยู่ห้องนอนดีกว่าอย่าไปรับแขกเลยนะั่งพยายามรู้สึกตรงนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนะพยายามรู้ ร, ร, ร, รู้ตรงเนี้ยอย่าไปรู้อย่างอื่นทําให้เชื่อมให้ติดให้สนิทแนบ ให้แนบสนิทเลยจิตเราก็จะรู้ว่าเออจิตที่ไม่เคยท่องเที่ยวเลยมันมีความสุขขนาดไหน อ, อจิตที่ไปต่อสู้กับศัตรูมันทุกข์ขนาดไหนแล้วจิตที่ไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยจะมันมีสุขขนาดไหนเราก็มาดูเปรียบเทียบกันดูเปรียบเทียบกันดูแล้วเออรู้แล้วเ อ, อว่าเนี่ยจิตไม่ออกนอกมันจะมีความสุขลึกซึง้งลึกซึ้งตรงเนี้แล้วก็พยายามดูตรงนี้ ถ้ามาไม่เอาน้ําเย็นช่วยโยม <c oughs> รับรองโยมนั่งแค่ห้านาทีโยมรับแขกเป็นร้อยถ้าสิบนาทีก็รับแขกเกือบเป็นพันนะทั้งนั้นจําเป็นต้องเอาน้ําเย็นเพื่อไม่ต้องรับจิตไม่ต้องออกนอกงานเชื่อใจจิตไม่ออกนอกจิตของโยมก็เคยชัดเจนเรื่อยเรื่อยๆไปก็พยายามประคับประคองตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยฮะ คือพะครับคองตัวนี้เรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อย ไ, ไปเรื่อยไปนะนะดู <c oughs> ดูให้เฉเนตนะยามดูไปดูไปดูไปเรื่อยไปเรื่อยไปนะอนะอย่าวอกไปไปที่อื่นอนะความเย็นก็รู้สึกไม่มากก็ไม่เป็นไรไม่มากโยมก็พยายามเรียนรู้มันเย็นมากเย็นน้อยก็พยายามเรียนรู้ พยายามนึกไว้ดีๆนะฮะใครจะไปเผลอมานนะพยายามนึกไว้นึกไว้นึกไว้รู้นั่นแนะ่ะเราก็จะมีสารณะของเราเลยถ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราอย่างไรเราก็จะเข้าใจจริงๆว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราเป็นธาตุของพระธรรมได้อย่างไงเนี่ยเราก็จะเข้าใจจริงๆตรงนี้ <c oughs> ดังนั้นพยายามนึกไว้ตรงเนี้ยอนึกไว้ ถ้าเกิดว่าน้าโยมทนไม่ไหวกินน้ำเยอะนะน้ำเยอะถ้าโยมจะลุกไปเบาก็ม่อาตามาไม่ว่าเพราะว่าตอนนี้น้ำเย็นของโยมยาสั่งอาตมาเข้าไปแล้วเสกเข้าในท้องทุกคนแล้วนะตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> คือการ <c oughs> เปลี่ยนแปลงของร่างกายมันก็เกิดขึ้นเพราะคงเรากินน้ำแล้ว มันอยู่ไม่นานมันก็จะปวดเยี่ยวปวดเบาถ้าเกิดว่าเออไม่ถักว่าถ้าว่าเกรงใจลุงพ่อจะปวดถึงปวดแล้วจะไม่ลุกเลยจะได้ไหมถ้าเกิดถ้ามันไม่แตกก็ไม่มีปัญหาถ้ามันแตกก็มีปัญหาคนอื่นี่เดือดร้อนอเดือดร้อนด้วยแต่ถึงว่ายังไงก็แล้วแต่ไปแล้วก็ต้องกลับมาเพราะว่า ถ้าเราหาจิตเราไม่เจอตอนมีชีวิตอยู่ตอนนี้ถามมาตายไปเราจะไปมีจะไปดูที่ไหนถ้าเราไม่ต้องถ้าเราไม่หาตอนนี้นะจะให้พระจูงไปอ่ะพระไม่มีโอกาสได้จูงลงขึ้นสวรรค์ได้หรอกพระจูงโยมได้คือเมรุศพเมเพรเผาศพจูงได้คือขึ้นเมนีนพระจะจูงได้บางคนให่อยากให้พระจูงขึ้นสวรรค์ไม่ได้ฮนะ ไม่ได้เลยพระประจูงไม่ได้สวรรค์ของโยมะที่พระจูงได้คือไปเมนนะไปเมนแต่งั้นะการที่เราเราต้องจูงเองเราต้องจูงเองเราต้องค้นหาตัวเองว่าไอ้จิตที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายอ่ะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนที่พุทธเจ้าบอกจิตไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันอยู่ตรงไหนจิตทั้งหมดนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ตัวในกายเรานี่แหละ มันอยู่ในกายเราเนะี่ยไปหาที่อื่นไม่เจอหรอกฮนะมันอยู่ในกายเรานะี่แหละทั้งนั้นเหมือนยานโยมดูตรงเนี้ยใ้ความรู้สึกเย็นๆเนี่ยถามว่ามันแก่ไหมมันเจ็บไหมมันจะตายไหมไม่ตายเพราะความเย็นรู้สึกว่าเย็นๆตรงเนี้ยไม่มีรูปร่างของเราไม่มีรูปร่างของเราคือการพิสูจน์พิสูจน์ความแตกต่างการภาวนาที่เราเคยภาวนามาแล้ว กับการที่เราภาวนาสูตรน้ำเย็นตรงนี้ความแตกต่างกันก็โยมพิสูจน์ดูได้เลยจะบอกวิธีพิสูจน์ให้ถ้าพิสูจน์อันดับแรกน้ำที่โยมรู้สึกเย็นตรงนี้กับลมหายใจไม่เกี่ยวข้องกันคือไม่เกี่ยวข้องกันแล้วมันคนละส่วนกันถ้าไม่มีน้ำเย็นโนยมต้องเอาลมมาเป็นจิตจิตมาเป็นลมอ่าอันนี้ถ้าไม่มีน้าเย็นนะมันแยกกันไม่ออก ตอนนี้ให้ความเย็นที่โวมจับได้ตอนนี้ความพิสูจน์เพื่อความเพื่อความมั่นใจของตัวเองทดสอบพิสูจน์ดูว่าหนึ่งถ้าเรารู้อยู่กับความเย็นตรงเนี้เราลองคิดไปข้างนอกได้ไหมอันนี้เราพิสูจน์ตัวเองได้ไม่ต้องให้อาจารย์พิสูจน์ถ้าเราคิดไปข้างนอกไม่ได้หมายความจิตของเราเข้าไปสู่สภาวะรมแล้วทำนั้นคือไม่ไทยข้างนอก ทำนั้นคือข้างในทำเขาเลือกธรรมธรรมคือข้างในข้างในชัดเจนนั้นเขาเลือกธรรมะธรรมะคือของอยู่ข้างในถ้างั้นเราคิดไปข้างนอกแล้วไม่ออกไปไม่ได้ถ้านั้นญาตโยมทั้งหลายที่เคยว่ากิเลสหนาปัญญายาบทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่เราทุกข์ทรมานกันมาทั้งหมดเนี่ยถ้าโยมเจอตรงความเย็นสุดท้ายที่โยมรู้สึกตรงนี้ โยมคิดได้เลยทดสอบเปรียบเทียบได้เลยว่าถ้าจิตนั้นอยู่ตรงนี้โยมถามมากิเลตโยมที่เคยมีอะตอนเคยมีว่าตอนนี้จะมีไหมดูได้เลยฮะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้ออกนอกถ้าออกนอกถึงจะมีอยู่ข้างในจะไม่มีน่อันนี้ข้อพิสูจน์นะพิสูจน์พวกเราภาวนากันตอนเนี้ยพิสูจน์ความ อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้นําเย็นของเราลงไปตามลำไส้ลำไส้แน่นอนร้อยเปอรเซ็นแต่ตอนไปจับเอาความเย็นสุดท้ายแต่ทำไมลำไส้ไม่เห็นลำไส้ของเราไม่เห็นเลยเพราะเห็นเห็นแต่ความว่างเห็นแต่ผู้รู้ไม่เห็นลำไส้เรา ไม่เห็นลาไส้เราไม่พอยังไม่เห็นร่างกายเราเพราะถ้าจิตตรงนี้เพราะจิตตรงนี้จะไม่ออกมาเกี่ยวกับขันไม่เอะไม่ไม่ออกไม่เกี่ยวข้องกับธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าไม่ออกเพราะจิตตรงนี้มันจะไปสู่ความว่างมันว่างของจิตเลยมันว่างกายหมดเข้าใจไหมฮะถ้ากายของเราวางมันว่างจ็ตแต่จนมากถ้าไม่เอาน้ำเย็นน่ะเราต้องมาพิจารณาให้เกิดความว่าง พิจารณาเกิดความว่างว่างยังไงก็ไม่ว่างเพราะการพิจารณาตรงนั้นมันมีสัญญาทําให้เขาเรียกว่างด้วยสัญญาว่างด้วยสัญญาไม่ได้ว่างด้วยเห็นจิตแท้น่ทั้งนั้นจิตตรงนี้ที่โยมเจอนะ่ยมันจะว่างเลยไม่เกี่ยวกับกายอ่ามีกายก็เหมือนจิตของเราเมืบนนี้เหมือนกรงนกอยู่ในกรงร่างกายของเราก็เหมือนกรง จิตของเราก็เหมือนนกนกอยู่ในกรงอย่างไงก็อย่างนั้นจะรู้อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวรู้อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวจะไม่ข้องเกี่ยวย่างอื่นนะฮะแม้แต่เสียงอุตามาพูดไปก็ไม่ได้ถึงจิตโยมใจโยมหรอกเพียงแต่รู้เพื่อเป็นการเชื่อมเชื่อมให้ไปสู่ความหมายตรงนั้นให้ชัดเจนขึ้นให้เกิดความหมายชัดเจนขึ้นทะนั้นจิตตรงนี้มันจะเป็นเอกภาพของจิตมันจะรู้อยู่ตรงนี้ตลอดเวลา ถึงตอนนี้เราเปรียบเทียบแล้วว่าหนึ่งเราเคยมีความโกรธมากเกลียดมากทั้งหมดแต่ถ้าจิตเราอยู่ตรงความเย็นๆเนี่ยถามว่าเราโกรธได้ไหมเราก็ทดสอบได้แต่อาจารย์ปฏิเสธได้เลยว่าไม่ที่ไม่เพราะว่าความรู้สึกตรงนี้มันไม่มีสังขารทําให้เกิดการเกิดโกรธก็ให้เกิดความโกรธ จิตตรงนี้จะไม่ไม่อยู่ในสังขารถ้าอยู่ในสังขารเมื่อไหร่เกิดแน่นอนนะเกิดแน่นอนถ้าอยู่ในสังขารแต่ถ้าไม่อยู่ในสังขารก็เกิดไม่ได้ทั้งนั้นเราต้องเข้าไปสู่ตรงนี้ให้เกิดความลึกซึ้งเกิดความชัดเจนเกิดความเนื้อหนามั่นคงนะฮะเนื้อหนามั่นคงให้เกิดความรู้สึกตรเรื่อเรือบบ่อยๆไปบางคนถึงจะลืมขนาดไหนก็แล้วแต่กันโยมก็ ต, ต้องตามไปตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆไป จิตโยมก็จะแตกต่างกาันที่เราเคยฝึกผลอบรมมาก็คือการแตกต่างกันบอกว่าวิชาน้ําเย็นตรง น, นี้จิตจะไม่ออกนอกถ้าไม่มีน้ําเย็นช่วยมันก็จะออกถึงว่ามีน้ําเย็นกินแล้วจิตโยมยังลังเลสงสัยอยู่ว่าเอาแล้วมาจํามันจ ะ, จะไม่อยู่น้ําเย็นหรอกฉันจะออกไปเลยอาจารย์บอกคิดออกได้แต่ยังไงเดี๋ยวก็กลับมาที่กลับมาเพราะอะไรเพราะเรามีฐานที่ตั้งของจิตแล้ว แต่ก่อนจิตเราไม่มีฐานที่ตั้งตรงนี้นะไม่มีเลยว่าจะตั้งอยู่ตรงไหนนั่นะก็เลยเราก็ไม่มีฐานเลยเลยก็เหมือนเลื่อนล่อนไปถ้างั้นลักษณะจิตตรงเนี้ยมันเป็นจิตที่มีความปลอดภัยเบามันเบาฮนะถ้ตตงนั้นโยงก็ต้องพยายามทําให้มีความต่อเนื่องเกิดความชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆไปเพราะจิตตรงเนี้คือลักษณะการปฏิบัติธรรม สมาก็บอกอยู่แล้วว่าสมาธิมันมีสองประเภทสมาธิสังขารสวิปัสนาสมาธิวิปัสนาสมาธิคือว่างหมดสมาธิสังขารจะไม่ว่างเพราะมันมีสังขารค่อยปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วก็ปัญญาสังขารเหมือนกันปัญญาสังขารมันจะปรุงแต่งด้วยปัญญาของมันแต่ไม่ใช่จิตแน่นอน ไม่ใช่จิตเพราะมันเป็นสังขารทำไมถึงบอกไม่ใช่จิตแน่นอนก็เพราะว่านับชื่อแล้วไม่มีจิตทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีตัวไหนจิตเข้าไปแทรกแซงได้เลยฮ ะ, ะไม่มีแทรกแซงถ้างั้นตัวห้าตัวนีมน้มันทำให้เกิดความเคลื่อนไหวความรับรู้ต่างๆนาน า, นาเลยจากธรรมะไป เพราะจิตตรงนี้มันมั น, ม, นมันเขาเรียกว่าสังขารคือความหลงนั่นเองลงสังขาราั้นเราเอาสังขารก็คือหนึ่งสมาธิสังขารแล้วก็มีปัญญาสังขารด้วยเนะี่ยปัญญาสังขารมันไว้พิจารณากายไว้พิจารณากายให้เป็นไตรลักษณ์แต่ตอนนี้เราพิจารณากายยังไงแล้วก็ไม่เป็นไตรลักษณ์เพราะเราเอาสังขารมาพิจารณาสังขาร เราเอาสัญญามาพิจารณาสัญญาเอาทุกมาพิจารณาทุกเหมือนเนื้อเดียวกันมันแยกไม่ออกแยกไม่ออกมาแยกยังไงถึงจะได้แยกยังไงก็ไม่ออกถึงออกได้ก็ออกได้แค่ไม่ทวร น, นอนไม่ทวรก็ต้องต่อสู้มันตลอดตั้งแต่วันภาวนาจนถึงวันตายก็สู้แต่กิเลสอย่างเดียวฮะพอเราเอากิเลสมาภาวนาก็เลยได้กิเลสไปแต่ถ้าจิตที่สอนลงตรงเนี้ มันจะไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องสั้นสังขารอาตมาตั้งชื่อว่าจิตที่ลงตรงนี้จิตตัดสังขารทําไมตัดสังขารเพราะว่าโยมลองลองนึกดูนะฮะถ้าโยมคนไหนถ้าจิตลึกๆอยู่ความเจ็นชัดเจนโยมลองนึกดูว่าฉันจะปรุงแต่งจากความเจ็นเป็นของร้อนอถามว่าฉันจะปรุงแต่งเลยถามว่าปรุงแต่งได้ไหมไม่ได้ เพราะคุณจะปรุงให้เป็นยังไงอ่ะมันปรุงไม่ได้เพราะมันไ ม, มน่เพราะจิตตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับสังขารไอ้จิตตรงนี้ไม่เกี่ยวกับสังขารเลยเอาสังขารมาปรุงไม่ได้น่ะไม่ได้เลยฮะมันไม่ออกมามันนี่เลยคือมันมันปล่อยจิตตรงนี้เขาเลือกจิตปล่อยจิตปล่อยฮะจิตตรงนี้ก็เลือ ก, ออตตกเอกข้าไปสู่ความอิสระของจิตคือปล่อยไม่ใช่ไปตัดสังขารเทียงแต่เราพูดว่าเป็นจิตพิธีการตัดสังขารคือตัดแต่จริงๆไม่ต้องตัด พ่อไม่ต้องตัดเหมือนเราเข้าห้องนอนเราเปิดประตูปั๊บเราเข้าห้องนอนเราก็ไม่คาประตูเลยอ่าเลยเราก็ไม่ใช้ประตูอ่ะไม่ต้องใช้ประตูเราก็อยู่กลางห้องห้องมันก็มีแต่ความว่างยังไม่นําตำจำยังมีห้องติดแอห้องติดแอร์เราก็นอนสบายไม่ต้องไปรับแคกอันนี้ที่พาไปเนี่ยจะพาไปเข้าห้องนอนห้องนอนของจิตจิตต้องมีห้องพักห้องเม่อ ห้องนอนของเขาแต่ตอนนี้ห้องนอนมันอยู่ตรงไหนก็เลยต้องเอาน้ำเย็นล่อเข้าไปไปสู่ห้องนอนซะถ้าเขาอยู่ตรงนั้นโยงก็จะมีห้องพักของจิตจิตถ้ามีที่พักของเขาเขาจะออกไปทำไมดังนั้นวิธีสาคัญที่สุดคืออวิธีเข้าประตูห้องนอนเนี่ยโอ้โหมันเรื่องใหญ่มันจะเข้าประตูไหนประตูมันอยู่ตรงไหนถึงลาบาก กูบาจาย์ต้องต่อสู้เอาเป็นเอาตายเงื่อแตกเยี่ยวแตกขี้แตกหลยเพราะอะไรอ่ะเพราะมันหาประตูไม่เจอแต่ถ้าหาประตูเจอแว็บเดียวนั่นเองไม่นานแปบ็บเดียวเรียบร้อยเข้าห้องนอนใสกรอนล็อกกุญแจพับจะบายหน้าทั้งนั้นจิตใจที่เข้าตรงเนี้มันไปตรงไหนถึงจะไปแบบนั้นได้ก็อาตมากําลังนําพาอยู่ไปถ้าโยมคิดจะพับโยมจะไปตรงนั้นโยมก็ตามไปทัก ตามไปตามที่โยมรู้สึกตรงนั้นอ่ะตามไปตามไปก็คือให้เริดความลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งตรงนั้นให้มันเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อไหร่จิตใจของเราก็จะไม่วอกแวกไปที่อื่นสุดท้ายจิตของเราก็สบายอ่ะสบายเลยอ่ะถามว่าสบายแบบไหนก็บอกไม่ได้ก็สบายใครเป็นคนเราใครใครเป็นคนนั้นก็จะรู้เองว่าสบายแบบไหนอ่ะถ้าคนอื่นไม่เป็นจะไปสบายแทนไม่ได้ ทังนั้นวิธีการปฏิบัตินะความเพียรความเพียร น, นั้นอ่ะที่โยมบอกว่าหนึ่งเราจะไปที่โน้นไปเร่งความเพียรเพื่อทําจิตให้สงบแต่ถ้าโยมเร่งความเพียรแต่สติโยมไม่เพียรด้วยถ้าสติโยมไม่ระลึกตรงนี้ความเพียรเพียรขนาดไหนก็มันไม่สงบอยู่ดีคือเขาว่าความเพียรคือสติระลึกรู้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องด้วยสติเนี่ยเขาเรียกว่าเพียร เพียนคือเพียนมันอยู่ตรงนี้ถ้ามีความเพียนแก่งกล้าแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นทันทีแต่ตอนนี้พวกเราก็เลยไปคิดว่าเออไปเดินก็ไปเดินจโกรมแล้วถึงจะมีความเพียนแต่สติอยู่ที่ไหนอ่ะสติไม่รู้อยู่ที่ไหนเดินไปเอาไปนั่งสมาธิเพื่อจะเร่งความเพียนนั่งที่จะนั่งไปอ่นั่งครั้งแรกประมาณห้านาทียังอยู่แต่สิบนาทีแรกไปไหนก็ไม่รู้หาตัวเองก็ไปเจอ ทำไมถึงหาตัวไม่เจอเพราะจิตของเราไปเห็นแต่ข้างนอกข้างนอกมองเห็นแต่ข้างในทำไมไม่เห็นทำไมตัวเองถึงไม่เห็นทำไมสิ่งที่ไม่ต้องการเห็นเสือกเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วถ้าจิตมันฉลาดมันก็ไม่ไปรับแขกหรอกอันนี้จิตมันโง่ไปรับแขกทะงนั้นพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนลงให้คนให้คนเราโงา่สอนให้ฉลาดสอนให้ฉลาดนะ ้งั้นปัญหาของจิตบางคนบอกเอา้าเราจะทำจิตให้รู้เท่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันนะเสียงมาก็ให้รู้ว่าเสียงเห็นคนก็บอกเห็นคนนะไอ้นี้การรู้เท่ารู้ทันอย่างนี้ไม่ได้รู้ด้วยจิตขเขาเรียกดูรู้ด้วยสังขารเพราะมันไม่เอาจิตรู้ไปเอาสังขารรับรู้ถึงไปเห็นรูปคนนั้นถึงได้ยินเสียงคนนั้นมามาเพราะเราเอาสังขารไปรับรู้ เสร็จแล้วมันก็ต้องตามเสียงไปท้งนั้นถ้าจิตลงตรงนี้มันจะไปสู่ความว่างความว่างของจิตคือเขาว่าศุนยจตาคือความว่างอ่าถ้าจิตมันว่างมันก็จะว่างเองมันว่างเองเราปรุงแต่งให้ว่างไม่ได้นะอ่าปรุงไม่ได้แต่ถ้ามันว่างก็ว่างเองว่างแล้ววางเลยปรุงแต่งอีกไม่ได้นั่นอ่ะนั่นคือลัษณจิตเพราะจิตตรงนี้ตมาตั้งชื่อว่าจิตทลุสมาธิ คาว่าทะลุสมาธิเพราะอะไรเพราะมันเข้าห้องนอนสมาธิมันเฝ้าประตูสมาธิคือแค่เเค่วประตูอยู่แค่ประตูไม่เปิดเข้าห้องนอนอตาตมาเลยบอกว่าตรงนี้ทะลุสมาธิคือเข้าห้องนอนน่ะจิตตรงนี้ไม่สงบแต่ไม่ออกนอกอไม่สงบไม่ออกนอกไม่ไม่ไม่เคยออกนอกมันจะอยู่ข้างในเรื่อย ๆ, ๆของมันเนี่ยน่ะได้จิตตรงนี้เขาเลือกจิตตืน่น จิตตื่นจิตปัจจุบันนะจิตปัจจุบันรู้รู้อยู่ตรงนี้ไม่รู้ข้างนอกรู้แต่ข้างในจิตของเรามีอยู่สองระบบจิตนอกกับจิตในส่วนมากเราจะเอาจิตข้างนอกมาภาวนาแต่อาที่น้อมจิตเข้ามาสู่ข้างในภาวนามันหายากมันทำยากมากเลยเพราะว่าเอาจิตมาอยู่ข้างในอะ่ะมันจะอยู่ยังไงอะ่ะเหมือนโยมที่อยู่ตรงนี้ เยมรู้เลยว่าจิตอยู่ข้างในมันอยู่ยังไงจิตรู้ข้างในจะไม่รู้ข้างนอกแต่ถ้าจิตรู้ข้างนอกจะไม่รู้ข้างในถ้าอยางนั้นถ้าเรารู้ข้างในตรงนี้แล้วจะให้ไปรู้ข้างนอกรู้ได้แต่ไม่ใช่มาจากอํานาจของจิตรู้ได้ตามชีวิตมนุษยเ์เห็นกันเห็นกะันนะเห็นกันว่าเออนี่คือมนุษย์มานี่ยมนุษย์มาแต่โดยจิตนึงจริงๆ จ, จ, จะไม่เกี่ยวข้องกัน ท่า น, นเราต้องเข้าจิตของเราเข้าไปตรงนี้ให้ลึกซึ้งหน้าที่สุดลึกซึ้งมากตะลายยิ่งดีเลยฮะเราไม่ต้องไปกังวลว่าเราไม่มีวาสนาหรือบุญน้อยอะไรทั้งน้อยอย่าไปคิดเพราะการภาวนาถ้าเราไปคิดตรงนี้แล้วถามว่าเราได้อะไรเราเกือบไม่ได้เลยฮะท่งนั้นจิตตรงนี้อาตมาถึงบอกบัรนี้ทึงบอกว่ามันต้องเอาอบายช่วยแล้ว ถ้าไม่มียบายตรงนี้ช่วยรับรองโยมป่านนี้เปิดตะเลิดไปหมดแล้วฮะไปอยู่ที่ไหนจับอะไรไม่ได้แต่บางคนจับได้บางคนก็จับไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจับน้ําเย็นได้หมดบางคนแอบเชื่อแอบลองก็เลยจับได้แต่บางคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้เชื่อไม่ได้ น้ำเย็นถึงจะเป็นขวดหรือเป็นกระดุกถังโยมก็จับไม่ได้เพราะว่าโยมไม่ศรัทธาตามไปถ้างั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเพิ่มศรัทธาเพิ่มศรัทธาในการปฏิบัติให้เข้มข้นเข้มแข็งถึงจะเกิดแต่ถ้าไม่ศรัทธาแล้วถาม่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เพราะไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ศรัทธาแล้วก็จะได้ยังไงถ้า ง, างั้นทําอะไรก็แล้วแต่ หนึ่งทางโลกเขาศรัทธาเหมือนท่านด็ออรสศรัทธาในการงานเงี้การงานของแกก็มีความสาเร็จอันยิ่งใหญ่นั้นทำด้วยศรัทธาเพื่อให้เกิดความสาเร็จนี้คืองานของโลกอละไรงานของทำรร ม, มันต้องศรัทธามันต้องศรัทธาทำด้วยถึงจะเกิดความสาเร็จในธรรมถึงจะเกิดความสาเร็จในธรรม ถ้าเราไม่ศรัทธาถึงจะพระพุทธเจ้าสิบองค์มาเทศก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลแน่นอนทางนั้นถึงเปิดเราต้องเปิดจิตเปิดใจของเราเปิดจิต เ, เปิดใจรับสักหน่อยรับหน่อยถ้ารับแล้วไม่ต้องรับทั้งชั่วโมงไม่ต้องรับทั้งวันแค่รับในช่วงเทศก็พอตอนนี้เลิกเทศแล้วโยมไม่รับก็ไม่เป็นไรแต่หากอยากรับดูหน่อย ถ้ารับดูหน่อยว่าเออดีนะมันเป็นยังไงบ้างลองทดลองทดลองทดลองเหมือนจะมาอยู่ครูบาอาจารย์หลวงตามาบัวตามาเปิดรับเปิดรับของหลวงตาหลวงตาให้อตมาได้เพราะอตมารับแต่ถ้าไม่รับหลวงตาให้ให้ตายจนมรณาภาพก็รับไม่ได้เพราะไม่รับการรับกับไม่รับเนี่ยมันก็มาจากศรัทธานั่นเองค ถานพวกเราก็แล้วแต่ก็พยายามทําให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเกิดมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่มีกรณะอื่นใดมาแทรกแซงมีพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะพระธรรมเป็นธรรมะพระสงฆ์เป็นธรนะพระพุทธเจ้าคือความว่างพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือสงวินยัยคือความชัดเจนอยู่เป็นมัดตรงนี้ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมหมด มันเป็นทั้งหมดทั้งนั้นญาติโยมก็ลงไปสู่ตรงนี้ให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาทั้งนั้นถึงว่าบางคนภาวนาแล้วว่าจิตไม่ลงจิตไม่รวมอาตมาก็ไม่ว่าอะไรยอมรับจริงๆการภาวนาเนี่ยมันลำ บ, บากมากโยมโคตรลําบากเลยนะไม่ใช่ง่ายง่ายเพราะเรามาภาวนาหาสิ่งที่ไม่มีหาสิ่งที่ไม่มีหมมให้มันมีหาสิ่งที่ไม่เกิดให้มันเกิดหาสิ่งที่ไม่รู้ใหไม่รู้ โอ้โห oh, ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะมันยิ่งใหญ่มากทั้งนั้นทำไมอาตมาถึงเอาน้ำเย็นมาเป็นอุบายช่วยโยมเพราะมันมีที่ไปที่มามีที่ไปที่มาก็มาจากผลที่อาตมาเองอาตมาขอบวชแค่เจ็ดวันจะศึกไปแต่งงานเพราะว่าคนเกิดมาถ้าพอไม่บวชนานก็แต่งงานได้กับแม่ก็จะให้แต่งงานก็เลยขอบวชเจ็ดวัน บวชตอนเช้าก็นั่งมาภาวนากับโยมอย่างเงี้ยเราก็ภาวนาหลวงปู่ดูลบอกพุโทโธพุโทโธอาตมาหายใจเข้ากับพุทหายใจออกกับโธพุโทโธพุโทโธประมาณสิบนาทีกับพุทโธพุทโธนั่นแหละสิบห้านาทีก็พุโทพโธตอนนี้โยมมันเป็นอย่างเงี้ยจิตมันเกิดขึ้นในกลางอกจ้าของบอกว่าภาวนาอย่างนี้ไม่สงบดอกต้องภาวนาอย่างนี้เอาแหละที่อาตมาสอนโยมอ่ะ มาจากโดนที่บังคับในใจอาตมาบอกต้องอย่างนี้อตาตมาก็อเอาพุทก็เข้าโทเข้าพุทเข้าโทเข้าวางของเรื่อย ๆ, ๆจนดึงดึงึงมาถึงลิ้นปี่ปั๊บมันก็มีความเย็นเหมือนน้าเย็นสักแก้วหนึง่งเย็นชอ๊อตก็ไปเรื่อยๆๆๆๆไปถึงโน้นลงถึงสรุดจากสรึดถึงถังน้อยจากนองอู้มันเกิดดุจก้นเลยสุดท้ายจิตมันก็ไปสู่ความว่างว่างรู้เลยฮะไม่เกี่ยวอะไรเลย นี่ที่เป็นที่ไปที่มามแบบนี้ยสุดท้ายอาตมาก็เลยเขาเลิกนั่งภาวนาผู้รู้อย่าเย็นเย็นอยู่ตรงนี้เหมือนน้าเย็นอ่ะอย่างเย็นอยู่นะั้นยังรู้อยู่ตรงนั้นไม่รู้อย่างอื่นสุดท้ายเราก็หลับไม่ได้มันพาเดินจนกลมถึงตีสองมาหลับตื่นขึ้นมาหลวงปูด่ดูลก็เรียกตัวไปถามว่าท่านภาวนาอย่างไงเมื่อคืนอาตมาเป็นพระบวชใหม่ไม่รู้อีโนยเดเลยพูด ต, ง ต, ง ต, งตงรงๆภาษา เขาเรียกภาษาเด็กเลี้ยงควายอะครเลยบอกหลวงปู่ช่วยเอาไอ้ผู้รู้อยู่ในใจผมเนะี่ยไอ้ที่อยู่ในท้องผมเย็นเย็นเนี่ยเอาออกเลยหลวงปู่เพราะว่าผมจะได้คิดถึงหลวงปู่บ้างผมจะคิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้คิดถึงใครก็แล้วแต่หรือจะร้องเพลงก็แล้วแต่ตอนนี้มันคิดไม่ได้อยาให้หลวงปู่ช่วยเอาออกหน่อยถ้ารู้ว่าภาวนาอย่างนี้คิดอะไรไม่ได้ผมก็ไปภาวนาดอก พราะคิดได้อย่างเดียวคือ ร, ร, รู้รู้อยู่ในใจเนี่ยเหมือนกระโนมกําลังรู้ ร, รความเย็นนี่แหละรู้อยู่หลวงปู่ก็เลยนั่งภาวนาประมาณห้านาทีท่านบอกไม่ได้จิตของคุณเอาออกไม่ได้แล้วเราเขาบอกหลวงปูปป่ผมจะบวชเจ็วันนะฐานโบท่าบอกว่าเห็นไม่เจ็ดวันไม่เห็นครับคือจิตตรงนี้เอาออกไม่ได้เพราะจิตเข้าไปสู่สภาวะธรรมภายในแล้วข้างนอกถึงหายไม่ได้ ข้างในชัดเจนข้างนอกหายหมดโอเราบอกลุงปู่ทารุ่วภาวนาแล้วเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่น่าไปนั่งเลยนะความจริงไม่น่าไปนั่งอะ่ะถ้าไม่นั่งป่านนี้อรตอมาก็โอ้ยเป็นเป็นพ่อลูกอ่อนไม่รู้กี่อาจจะเป็นโหลแล้วนั่งภาวนาตรงนี้เองอเลยตอนนี้เราก็สอนธรรมะสอนยังไงโยมก็ไม่เห็นทีทีโยมสู้แหลกสู้แหลกสู้ตายสู้ตายโยมบอกสู้อะไรลุงพ่อ ก็สู้เคยกิเลสกิเลสไม่อยู่ที่ไหนนะสุดท้ายตามาก็เลยมาประยุกมาประยุกการวิธีการฝึกจิตก็เลยเอาน้ำเย็นที่จของเจอเนี่ยตามเขาไปตามเขาไปตามไปตามไปญาติโยมก็เลยโอ้ถ้าภาวนาอย่างนี้ก็ง่ายที่โอ้โหมันมันมันดันน่าลาบากมากไม่อยากเลยไปนั่งภาวนาในจิตตรงนี้อ่ะตามาก็เป็นเป็นเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเสร็จ ทำไงานได้แต่มาใช้เวลาสองวันโยมสองวันจิตแยกจิตของสมามันหลุดหลุดแล้วรุ่นเล่าหลุดห ล, ลุ ด, ลล ด, ล ด, ลดซ้อนซ้อนซอนซ้อ น, อ น, อ น, อ น, อนเหมือนุ่นฟอกจนละเอียดะเอียดจิตแล้วจิตึีม่มาอยู่กับความว่างหมดเลยนั่นก็วันที่สองหลวงปู่ที่มันไปอยู่ความว่างก็หลวงปู่ให้ไปนั่งภาวนาคนเดียวประมาณหนึ่งทุ่มเอากายฮะหนึ่งทุ่มเอากายมาพิจารณาเอาธาตุใมาพิจารณาเพื่อให้เป็นไตรลักษ พิจารณาอย่างไงไอ้คำว่าพิจารณามันยังคิดไม่ออกเลยแล้วมาดูจิตดูกายก็ดูไม่เห็นดูอะไรก็ไม่เห็นก็ดูก็ได้เอตี้ยอดูเอ็นดูหนังดูเนื้อดูอะไรไม่เห็นมันละลายหมดอ่ะสุดท้ายจิตมันบอกธาตุทั้งสี่ไม่เกี่ยวกับจิตจิตไม่มีธาตุอ๋อเออไม่ดูธาตุมันดูได้ไงอ่ะเพราะเจอจิตแล้วไม่ต้องไปดูธาตุแล้วเอาตอนนี้เราก็ไปดูขันห้าทุกประการจิตก็บอกว่าขันห้าไม่เกี่ยวกับจิตอีก เพราะจิตจริงๆไม่มีขันจิตจริงๆไม่มีขันเอ้าอาแล้วไม่มีขันแล้วทำไมเราต้องมาพิจารณาขันทีแท้เพราะว่าเราหาจิตไม่เจอก็ต้องมาพิจารณาธาตุสี่ขันห้าเพื่อเข้ามาสู่จิตแต่ตอนนี้พิจารณาแล้วมันเข้าไม่ได้มันก็ไม่ได้มันเข้าไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินเกินเลอะของตมาก็เจาะเอเจาะข้างในเข้ามันเป็นโปรงข้างในไปเลยสุดท้ายจิตของเราก็ บอกว่าสังขารไม่ใช่จิตแม้ตีวิญญาณก็จะไม่ใช่จิตเพราะจิตตัวนั้นจะไม่มีความถ้ามีวิญญาณจะมีความเคลื่อนไหวเล่นรู้สัมผัสอายตนะทั้งหมดแต่ตัวจิตตัวนี้จะไม่มีอายตนะอื่นใดสัมผัสไ ด, ได้มันเป็นเอกภาพก็มันคืออิสระจิตเราก็เหมือนอยู่เหนือโลกทา่านน่ะตอนนี้ประมาณตีสี่ประมาณตีห้าหลวงปูด่ดูลีก็ให้เดกไปเคาะประตูอีกเคาะประตูป๊อป ป, ป, ป, ป๊ก็ต้องเปลี่ยน กียาบทมาหาลุงปู่ไม่ได้ล้างหน้าเพราะไม่ได้นอนเสร็จแล้วก็ลุงปู่ถามว่าภาวนาอย่างไงเราวันนั้นเราพูดเลยบอกลุงปู่คาพูดของโลกอโดนตัดขาดออกจากจิตไปแล้วจิตที่มีอยู่นี้ไม่มีโลกเลยนี่คือพูดตามภาษาเกิดขึ้นแล้วในจิตนะฮะพูดเลยตัดไม่มิดไม่มีความไม่เกรงใจหละเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้ว หลวงปู่ให้เราอยู่ย้ำถึงสามครั้งคำพูดของโลกคำพูดของโลกพูดอะไรก็แล้วแต่โดนกัดขาดหมดแล้วจากจิตและจิตที่มีอยู่นี้ไม่มีโลกอยู่เลยโลกกระทำหายหมดสุดท้ายหลวงปู่กาหนดจิตดูประมาณสิบนาทีท่านก็ตกเพราะเขาตมาปับ๊บท่านบอกรู้ไหมจิตของคุณถึงโล ก, กุตระแล้วนะ เราถามมาลุงปู่โลกุตรามันเป็นยังไงท่านบอกว่าโลกุตราจิตเหนือโลกตามาก็บอกเหนือโลกมีแต่โลกุตระไม่มีเหนือโลกร้อยเปอร์เซนตแต่โลกุตระไม่มีเพราะโลกุตระมันเป็นชื่อกล่าวขานกันว่าโลกุตระคือให้เป็นกิริยาจิตที่ปิดทิ่งเหนืออารมณ์ทุกอย่างนั้นก็เรียกจิาจิตหลุดเขาว่าโลกุตระ นั่นวันนั้นลุงปูบ่บอกว่าเดี๋ยวออกพรรษาผมส่งท่านไปอยู่หลวงตามหมาบัวถ้าธรรมมาจากมาปรมมาภาวนาบูรลงตามหมาบัวพอะอธรรมเห็นตรงนี้แล้วท่านให้ไปเอาคอวัดปฏิบัติหลวงปู่มัน่นมาสอนคนจังหวัดชุรินไอเรื่องจิตนั้นนไม่ต้องแล้วไอสิ่งที่อัศจรรย์มากที่สุดนายโยมทั้งหลายที่อัศจรรย์เจอแล้วเจอเลย เจอแล้วเจอเลยเจอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เจอเลยเปลี่ยนไม่ได้เข้าแล้วเข้าเลยฮะของตมาไม่ออกมันออกไม่ได้เพราะมันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้เข้ากับอะไรเข้าไปจู่เพราะว่าตมานะี่ะเป็นธาตุของพระธรรมไปหมดแล้วคือเป็นธาตุจริงๆไม่ใช่ธาตุเล่นๆจนไม่มีอื่นใดอ่ะที่ตมาจะไปเป็นธาตุเลย เพราะเป็นธาตุของพระธรรมพระธรรมก็เป็นนายของเราชัดเจนเลยเป็นนายชัดเจนเลยไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นนายเราได้นอกจากพระพุะทธธรรมประสงค์ทั้งนั้นตรงจิตตรงเนี้ยตรงตัวนี้แหละเป็นผู้นำไปสู่ตรงนั้นได้ถามว่าที่อื่นนำได้ไหมอาตมาก็ว่าอาจจะนำได้แต่เฉพาะอาตมานำตรงนี้ได้นำไปสู่ตรงนี้ได้เลยจิตตรงเนี้เป็นอิทธะมะ นะจิตตรงนี้มันไม่เคยเศร้าหมองไม่เคยน้อยอกน้อยใจไม่ใช่อะไรท่านมันเป็นเอกภาพของมันเป็นจิตที่พ้นจากสภาวะสภาวะอะไรสภาวะก็พูดว่าจริงๆก็คือพ้นจากสังขาร น, นั่นเองฮนะนั่นคือจิตตรงนี้ลงไปตรงนี้ทั้งนั้นที่ตะมามาสอนโยมมันมีที่ไปที่มาก็อยากเออโยมลองทําดูที่ว่ามันเป็นยังไงนะเพราะทําอื่นก็ทํามาเยอะแล้ว วิชาอื่นก็ทำมาเยอะแล้วเอาวิชา ต, ตื้นตื่นตื้นตื่นแบบพระนะเรียนน้อยรู้น้อยเอาตื้นตื่นเลยอะถึงอาตมาเป็นพระสมาธิสั้นที่สุดในโลกพอภาวนาประมาณ20ินาทีก็เจอแล้วโจอเลยอะถอนไม่ได้ทุกวันจะถอนก็ถอนไม่ได้ฮะมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเรามันต้องเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปสัมผัสได้ไดถึงเข้าใจ แต่ถ้าเราไม่เข้าไปสัมผัสตรงนี้ได้แล้วโอกาสจะเข้าใจไม่ได้ทันั้นอาตมาบอกว่าหนึ่งที่เราไปอยู่หลวงตามาบวัวมูเพื่อนก็ไปด้วยกันโอโยมไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าตามาไม่เห็นตรงนี้ก่อนแล้วอาตมาไปอยู่หลวงตาปานเนี่อาตมาศึกแล้วละเพราะเครื่องอยู่วตมาไม่มีถึงจะมีสมาธิเดี๋ยวก็เสื่อมมีทานก็เสื่อมมียานก็เสื่อมมันเสื่อมง่ายเพราะเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนก็ศึกไปเยอะแล้ว เพราะอะไรอ่ะสมาธิดีถึงเวลามันไม่ดีมันก็สึกเลยอ่ะทางนั้นะจิตตรงนี้จิตตรงนี้มันดีมากเหมือนแตมาเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นต้นไม้เราลงดินไม่อยู่บนกระถางเราฝังลงดินไปเลยและเป็นต้นไม้ไม่ใช่รากฝอยเป็นรากแก้วอถ้าเป็นรากฝอยไม่มีรากแก้วล้มง่ายนะลงดินไปเลยถึงไม่ลดน้ํายังไงอากาศ ความจุ่มชื่นของดินทำให้ต้นไม้มีชีวิตได้แต่ถ้าอยู่ในกระถางไม่ได้ลดน้ำสิบวันตายดังนั้นเนี่ยโยมต้องลงไปตรงนี้ให้ถึงทำไมต้องลงไปตรงท้องเราเพราะต้นกำเนิดการเกิดของเราอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเกิดตรงหน้าผากหรอกคนจะท้องก็ต้องลงในท้องถึง่าเกิดจากท้องดังนั้นเราเข้าไปลงตูวต้นกาเนิดที่เราจะมาเกิดนั้นนะ่ะ มันมาจากความว่างแต่มันมีวิญญาณครอบแล้วถึงมีรูปร่างเป็นมนุษย์ขึ้นมาคือครอบมาเป็นมนุษย์ที่เรานั่งคุยกันทุกวันเพราะมันมีมันมีวิญญาณถึงมีธาตุขันขึ้นมาแต่ก่อนจะมันไม่มีอ่ะมันก็มาอยู่กับความว่างนั่นเองทั้งนั้นจําเป็นต้องลงไปตรงนี้เหมือนโยมกินข้าวโยมจะเอาไว้ในขามจะหยิ่มได้เหรอมันต้องลงถึงท้อง ท่านผู้ติาบอกโอปัญญายโกโอปัญญาโกคือการน้อมน้อมน้อมน้อ ม, อมเข้ามามันน้อมไม่เป็นตอนกินข้าวเสือกเป็นกินน้ําเสือกเป็นแต่ให้คิดว่าน้อมน้อมไม่เป็นเพราะละลึกไปข้างในนึกไม่ออกเลยสุดท้ายมันนั่งเพ่งสะดือแทนครับเพ่งสะดือไปเพ่งไปเพ่งมามันก็เหมือนมันเป็นการเพ่ง เพราะการเพ่งมันเป็นตัวสังขารทาให้เคยดมามีกิจกรรมเหมือนการบังคับปุ๊บมันตัวถ้าจิตของเรามันตัวบังคับปั๊บมันเป็นสังขารแต่ถ้าจิตที่มันตัดสังขารไม่ต้องบังคับมันเป็นอัตโนมัติของมันถ้าเราปั๊บบังคับปั๊บมันตัวสังขารท่านติณธรรมาบอกถ้าความเย็นหายแล้วโยมไม่ต้องหาตั้งไว้ตรงนั้นตรงนั้นให้อย่างดีตั้งตรงนั้นอ่ะแล้วลึกไว้วางไว้เฉยๆนะเดี๋ยวก็เขาเกิดขึ้นเอง ถามว่าเขาเกิดแบบไหนโยมาตั้งไว้ตรงนั้นนานๆเดี๋ยวรู้เองฮะนะถ้างั้นอาการปฏิบัติธรรมอ่ะมันต้องความเพียร น, นะความเพียรต้องเพียรตรงสตินี้ถึงก็เลือกเทียนจริงเพียรไปหาธรรมคือตรงต้องสติระลึกตรงนี้ฮะมันจะเจอธรรมฮ ะ, ะถ้าเราเพียรอย่างอื่นแล้วแต่สติเราไม่อยู่ตรงนี้ถึงเพียรเท่าไหร่ก็ไม่เจอมาเดิมฮะ ก็เราเห็นเนะ่ยพระอานนท์เดินเอาเป็นเอาตายเดินจะกรมแทบเป็นแทบตายเพื่อให้บรรลุธรรมเดินยังไงก็ไม่เจอธรรมตอนพระอานนท์เลิกเดินแล้วจะมานอนแป๊บเดียวเหนื่อยแป๊บเดียวเจอธรรมเลยเพราะอะไรสติมันอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนทั้งนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาฟังทำวันนี้ก็โยมลองฮะอันที่เป็นการทดลองทําไมต้องทดลองเพราะมันเป็นบริษัทใหม่เพิ่งเอามาประกาศขาย กำลังค้าขายอยู่ขายว่าใครจะเอาไปใช้บ้างลองไปใช้ถ้ามันมีผลก็ใช้ไปเรื่อยๆก็เลยเจนเขาเรียกบริษัทน้ําเย็นามาจากจังหวัดสุรินทร์นะมาจากจังหวัดสุรินทร์บริษัทน้ําเย็นองค์อื่นไปสอนไม่ได้พระเดชพระคุณเจ้าในจังหวัดไปสอนมอมตะมาไม่ได้เพราะท่านเป็นคนมหากราคามอาตามาเป็นพระสุรินทร์กินโซรา เ, าเจอกันไม่มีโซรากินก็กินน้ําเย็นแทน แล้วมันเมาท่าเนี่ยมันเป็นเงี้ยเราก็แล้วก็เป็นพระที่จังหวัดที่มีศัยศาษษสตร์เสกหนังใสทง่สทอ้องเตะตะปูใส่ท้องอาตมาไม่มีหนังไม่มีตะปูไม่มีกระดูกเอาน้ําใส่ท้องโยมแทนอา่าตอนนี้เจ อ, อยาสั่งแล้วสั่งแล้วจิตโยมออกไม่ได้แล้วเพราะเจ อ, อยาสั่งสั่งให้จิตอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆโยมอาตมาไม่ได้สั่งโยมหรอกเพราะสติโยมอยู่เองจริงๆอันนี้การเปรียกเขาเรียกประกอบ ประกอบการให้มันสมประกอบจริงๆไม่มีความหมายหรอกพูดโกโก้ซะแน่แตนะ่บางคนก็กลัวกลัวตามาว่าโอ้สงสัยแกใสย่ยาสั่งจริงๆบ้างทําไมน้ำเยอออ็นไม่ยอมออกสักทีวะสงสัยสงสัยว่านี่เจอยาสั่งจะไปแล้วบ้างเนี่ยนะเนี่อดูดิมันยังเย็นเย็นอยู่นี่นะใช่ไหมเออมันไม่ยอมออกอ่ะมันเจอยาสั่งไปแล้วนะถ้าฉันรู้ว่าโดนยาสั่งฉันก็ไม่กินดอกแต่ยาสั่งของตามามันสดชื่นนะมันไม่เครียด น, นะเบา เบากายเบาจิตเบาใจนะไปอย่างนี้นะถ้างั้นวันนี้บรรยายนทำก็ไม่มีอะไรเพราะประกอบแล้วโดนยาสั่งค่แล้วสั่งมากสั่งน้อยก็ยังน้อยกันโยมสั่งเองอะนะเพราะกินเองอะตมาไม่ได้บังคับหรอกแต่ตมาล่อให้กินเฉยเฉยอะล่อให้กินเฉยเฉยนะถ้างั้นการกระเด้งทำวันนี้ก็สมควรแกร่เวลาถ้าคุยกันให้สว่างก็ได้นะอันนั้นคุยรอบนอกแารกระเด้งทำก็มีอะถ้ามีความสงสัยถามเลยฮนะ พระธรรมน่ะชอบถามธรรมาถามลุงปูรุลจนสว่างถามธรรมะลุงปูรุลจนสว่างเลยนะบางคนบอกทำไมไปถามถามไม่หยุดไม่ย่อนเอาตอนตายไ ป, ไปไปไปตามถามที่ไหนอะ่ะใช่ไหมแตลุงปูรุนบอกพไปแล้วไปตามตามที่ไหนต้องถามตอนมีชีวิตอยู่นั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างเงอเะทั้งนั้นลักษณะาการปฏิบัติก็จะแตกต่างกันนะโยมก็อาจจะแปลกใจเนาะใช่ไหมแปลกใจอะ่ะน่ะวันนี้ก็มีอะไรก็นี่แหละ ก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าใครสงสัยเอาเบอร์ ang ang. Ö, y y ha หนึ่งสงสัยก่อนไหมเจอยาสังยังฮะเออยังเย็นอยู่ไหมฮะต้องรู้หน่อยยมเปลี่ยนกิริยาบทเลย เอาก็นั่งทุกทําไมน้ําเย็นอะ่ะดูน้ําเย็นมันทุกไหมอ่ะมันปวดไหมอ เ, เอาก็ดูตรงนั้นจิดูที่ไม่ปวดจีไปนั่งดูปวดนั่นจะได้อะ่ะก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเถอะแต่สติอย่าเปลี่ยนด้วยตาสติเปลี่ยนด้วยนั่นอะ่ะมันไม่ดีอเพราะคนเรานั่งอะมันทับขาเลือดมันคอยเดินไปเดินมาอยู่ๆพับมันมันก็ไม่ออกแล้วโยมเอ้ยตอนนี้ลมก็ไม่เข้าเลือดก็ไม่ไปมันก็ปวด เปลี่ยนให้มันคุกแต่สติต้องอยู่ที่เก่าสติต้องอยู่โลกเก่าแต่บางครั้งบางคนก็ดูน้ำเย็นแตมาจนลืมปวดเพราะลืมเพราะไม่ได้ดูปวดเลยปวดมันก็เลยไม่มีพลังเพราะไม่มีคนไปดูมันเราไปดูมันมากมากมันก็มีพลังนะความปวดปวดหนอปวดอู้ปวดเสือไปดูปวดนลกอก็ภาวนาไปนั่งดูปวดอยู่ได้แบบนี้มันต้องภาวนาที ภาวนาต้องไปดูถ้ามันปวดมากเอาน้ําเย็นตะมาล่อไปเลยจับน้ําเย็นสุดท้ายอยู่ตรงไหนเพราะจิตเชื่อตมาสอนเนี่ยจิตจะไม่ออกนอกแล้วที่โยมถามได้มันออกไหมฮะออกไหมทางนอกที่ออกถึงออกไปได้ยังไงก็จะกลับคืนมาแต่สิ่งที่ออกอ่ะเพราะว่าโยมไม่เชื่ อ, อตมาก็เลยตมาใส่ยาสั่งไม่ได้ถ้านโนยมเชื่ อ, อตมาก็สั่งได้ เ, เต็มเลยไม่ออกไม่ออก นะเพราะไม่ออกเพราะอะไรเพราะตามน้ําเย็นไปจนจๆุดจนสุดท้ายไปเกาะติดแล้วจิตก็ไม่ออกนออกนาะมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นในการภาวนาเราต้องโอกาสมันลําบากเลยนะอนะโอกาสลําบากแล้วเพราะว่าอาการที่ไปหาจิตมันหายยากไม่ใช่ง่ายๆนะมันหาลําบากมากเลยนะเพราะธรรมานี่ถ้าไม่ใช่บังเอิญ น, นะโอย้ยธรรมาว่า้ล้านล้านชาติธรรมาไม่มีโอกาสได้เจอหรอกอันนี้บังเอิญในความโง่ในบังเอิญเนี่ย โงเหมือนควายเขาจูงน้ำเย็นก็จุงเพาตามไปเลยฮนะสุดท้ายเรียบร้อยเลยฮนะจึ๊กหยุดเลยฮนะเนี่ยมันเป็นลักษนะอย่างเนี้ยแล้วทั้งที่ยังเย็นไม่น้าเย็นหายแล้วเหรอโยมอ่ะโยมผู้ชายอะ่ะฮะหายยังยังอยู่ไหมโยมต้องเอาสติอยู่ตรงนี้บ่อยๆนะมันจนเป็นอัตโนมัติเลยนะสุดท้ายจิตโยมจะไม่ออกไปข้างนอกเลย ถ้าภาวนาแล้วจิตยังออกข้างนอกไม่ต้องภาวนาตรงโยมไปนอนบ้านดีกว่าฮะนั่งออกไปนูน่นออกไปนี่นั่งไปทําไมวะมันก็ออกนอกห้องไปหมดเรื่องนะไหนไหนมึงจะพาไปแล้วกูจะไปตามมันเลยวช่เออไปตามมันหมดเรื่องหมดราวมันนั่งอยู่ได้ะถ้านั่งแล้วมันต้องหยุดนะนั่งแล้วก็ต้องหยุดถ้าหยุดไม่ได้ก็สู้กันแหละนะก็เลยเทตามาสอนตรงนี้แหละก็มีที่กรุงเทพก็ถามว่า อ, อาจารย์ยือนเป็นสิทธิ์ลงตามมหาบัว ชิดลุงปูดุลทำไมสอนธรรมะไม่เหมือนครูบาอาจารย์ให้กินน้ำเย็นแต่ามาบอกพระมีน้ำใจพระมีน้ำใจคือถ้าไม่มีน้ำเย็นมันเรียกสติมาไม่ได้เอาจริงๆมันเรียกสติมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีน้ำเย็นอ่ะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนอ่ะพูดโทรกันแล้วมันมันลงไม่ถึงอ่ะแต่ได้น้ำเย็นให้น้ำเย็นล่อไปเลยตามไปตามไปสุดท้ายก็ไปอยู่ป๊อกเดียว ตอนนี้ไอ้วิธีตรงนี้โยมจะนั่งท่าไหนก็แล้วแต่จะยืนอะไรก็กินได้ถ้าพวกเราเพื่อเป็นนักปฏิบัติแล้วน ะ, ะถ้ารีบ ท, ทําซะเพราะว่าธรรมะของเราจะยิ่งยิ่งงานยิ่งหายนะเพราะมันหายไปเรื่อยๆเลยฮนะตอนนี้ธรรมะมันอยู่ที่วันโยมนะโยมอยากกินเยอะแต่พระหาไม่ค่อยไม่ค่อยหาให้ได้กินหรอกหายากหาไม่ค่อยจะมาหรอกเพราะมันหายากธรรมะไม่ใช่หาง่ายๆนะ เพราะว่าอย่างครูบาอาจารย์เราก็ทารุ่นประเดชพระคุณเนี่ยค่ะรุ่นธรรมะเนี่ยถ้าตายไปแล้วรุ่นหลังนะหะไม่เจอตรงโยมอเพราะรุ่นนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์ประคับประคองไว้วิญญาณสิ่งในหัวใจอยู่เกาเรียกพระใจสิ่งเนี่ยพระใจสิงสิ่งอยู่ในหัวใจอยู่ถ้าเกิดงั้นแล้วจะไม่มีเลยนะเพราะว่าตอนนี้พวกเราอยู่กึ่งกลางพระพุทธศาสนาพร้อมจะรู้ทำได้เลยนะฮะ พร้อมจะรู้ทําถ้าขึ้นบนเขาก็ขึ้นแล้วบนยอดเขาแล้วพร้อมจะห่อได้นะทั้งนั้นถ้าก็เราเราเร่งไม่ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่ในบ้านในช่องเราจะนั่งไม่นั่งก็แล้วแต่นะยืนกินไปเลยฮะอยืนกินไปเลยน ะ, ะยนน เ, ยนะเพราะยืนกินก็กินได้อยู่แล้วอ่ะนั่งก็ได้ยืนก็ได้แต่ขอให้ตามตรงนี้มันเป็นที่พักจิตนะเป็นที่พักจิตเพราะจิตเราไม่เคยหาที่ที่นอนไม่เจอ หาที่พักไม่เจอก็เลยต้องเอาตรงนี้แล้วใครรงสัยอีกไหมไหมสงสัยถามเลยเพราจะมามาให้ถามอยู่แล้วถามจนขาชั่วเลยแหละเคือโม<แ>ยมทางโยมจับสติ ไม่ให้อยู่กับความปวดได้โยมอยู่เลยเลยแต่ถ้าโยมอยู่กับความปวดเลยน่ะฮอยู่กับความปวดนะอยู่กับความปวดถ้าอยู่ทนได้ก็ทนเอาแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนนะถ้าโยมอยู่กับความปวดถ้าทนได้ทนแต่ถ้าสติไม่ได้อยู่กับความปวดนะอยู่เลยฮะพะเราแยกกันออกฮ ปฏิบัอยแล้วมันต้องเป็นพัฒนาการของที่ที่จะต้องแยกเวทนาเวทนา่เนาวอะไรอย่างน้คเิพร น, น, นี่แหละไอะตัวเวทนาตัวนี้เป็นสำคัญมากส่วนมากทึงนักมาบอกจำเป็นมากนะที่เข้าไปสู่ตามยาสั่งธรรมาก่อนเอายาสั่งของตามาจนมองกายไม่เห็นนะฮะถ้างั้นเวทนาจะไม่ปรากฏ นะจะไม่ปรากฏธนะแต่ถ้าไมเข้าตรงนั้นอนะ่ะมันจะเกิดมันจะเห็นเห็นแล้วตองต่อสู้ฮนะเพราะความปวดนั้นไม่ว่าพระบางโยมปวดเหมือนกันไม่มีใครไม่ปวดหรอกฮะเนยปวดเหมือนกันแต่ปวดได้อยู่ทนได้เพราะว่าบางคนบอกวทนาสู้ให้แตไนะแกไปเลยนะให้แหลกไปเลยนะเยียวแตกขี้แตกเหมือนอย่างหลวงตาท่านพูดให้ตมาฟังนะที่หลวงตาท่านพูดให้ตมาฟังเพราะอะไรเพราะจิตหลวงตาเนี่ยขอโทษนะ ที่ท่านบารโล่เลาอะคือแต่ก่อนหลวงตาท่านอยู่ในสมาธิเพราะจิตท่านมันไม่ลงมาเป็นในในแก้วเขา้าใจไหมท่านอยู่สมาธิท่านไม่ทำโกรธนิดเดียวจิตเคลื่อนออกจากจากช่องนี้ฮะช่องนี้ไปแล้วจิตมันก็เลยมันวุ่นไปหมดเลยฮะหลวงตาบอกเอา้าแล้วมันไปยังไงได้ยังไงอ่ะมันหาที่เดิมไม่มีหาที่เดิมไม่มีก็หลวงตาก็ต้องใช้ความเพียรอันสูงสุดในชีวิตท่านเลยนะ เอาเพี้ยนสุดๆเลยนะสู้แหลกเลยนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเยี่ยวกับพุทโธขี่กับพุทโธต่นขึ้นมากับพุทโธพุทโธทโธพทโธพุททโจังหวะพอดีฮะหลวงตาไม่ไปหามันยืนเอาตรงเนี้สมมตินะเหมือนมีอะไรมาปกไว้ท่านยืนอยูเนี้ยพุทโธอยู่ตรงนี้ยท่านไม่พุทโธัไม่ตามนะพุทโธพุทโธยำๆตอนนี้เหมือนการยืนน้าหนักมันมากๆหลวงตาก็จิตท่านก็ลงไปที่เก่าเพราะเลยตั้งแต่นั้นท่านไม่เชื่อมาแล้ว เลิกเชื่อมาเลยขนาดมันอยู่ตรงนี้แท้ๆมันจะหลอกกูได้ตอนแรกนั้นหลวงตาก็ลุยแหลกไปเลยฮะลงเป็นน้ําอยู่ในแก้วเลยไม่ออกเลยนี่หลวงตา ก, ก็จุยตรงนี้เองะนะเพราะจิตส่วนมากถ้าจิตอยู่ในสมาธิมันเสื่อมได้จริงๆไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามันทะลุตรงนั้นจะเสื่อมไม่ได้ดังนั้นสมาอยู่กับหลวงตานะ่ะเพราะพระอุปถาหลวงตานะ่ะจะมีสูตรพิเศษถ้าอยู่ไม่ได้อุปถาหลวงตาก็จะมีสูตรพิเศษ ออมันต่างกันเนี่ยอย่ายงตามาตามาอยู่กับหลวงตาฮะบัวเนี่ยเป็นพระอุปถากรพระอุปถากรหลวงตาแต่อุปถากรหลวงตาเนี่ยหลวงตาจะสอนอัตามาสอนไม่เหมือนคนอื่นนะฮะแตกต่างคนอื่นมากองค์อื่นให้ไปนั่งภาวนาเดินยันกรมอตาตมาเนี่ยมาครั้งแรกเหมือนโยมมันตลกเหมือนตลกใช่ไหมมาห้าวันอตาตมาก็ปัดกวาดไปไ ป, ไปมาหลวงตาไปประกบช่องอตาตมาก็ดิ้ไม่ออก พอมันเป็นมุมส า, สามเหลี่ยมท่านพูดเลยเราไม่อยู่สองวันรถเข้าบรรดากี่คันอาตมาหูไม่ดีฮะเสือกนี่เลยได้ยินและทำนะโยมเชื่อไหมตมานั่งนับรถเลยฮะเพราะลุงตาไม่ถามอมตมานับรถแต่ท่านบอกว่าเราไม่อยู่สองวันรถเข้าบรรดากี่คันอาตมานั่งนับรถเลยได้ห้าร้อยคันเพราะไปนอนไม่ได้เดียรถมาไม่ใครจะนับให้ ดูใต้ทุนชลาบางคนบอกอา้าวแล้วท่านเป็นบ้าเลเอา้าวก็หูได้ยินแล้วอะหูได้ยินแล้วต้องทำไม่ต้องไม่ต้องจดจงชื่อบอกท่านเยือนไปนั่งนับรถเดี๋ยวก็เถียงลงตาบอกอา้าวผมไม่พาวนาาให้มันผมนั่งนับรถได้ยังไงอะใช่ไหมส่วนมากคนเราจะเถียงลงตาอาจารย์มันเถียงไม่ได้เพราะหลวงปูด่ดูลฝากว่าท่านให้มันศึกษาหลวงตาหลวงตาปารัอะไรอะ เอาหมดเอาหมดเลยฮะไม่เคยค้านแม้แต่คาเดียวนั่งนับรถได้ร้อยคันท่านไปกลับมาเราก็ปัดกวาดลุงตาไวฮะรู้เราปัดท่านฉลาดนะครูบาอาจารย์ท่านบอกยี่ห้ออะไรโยมเอ้ยยี่ห้อไป่ได้นับเลยนับแต่รถเอาลวเลยเข้าตาเข้าตากรรมการลวเลย อ้าโยมคิดดูว่าถ้าเป็นโยมไม่นั่งรถเอาเถอะให้โยม้ไปนั่งนั่รถโยมไม่นั่งแน่นอนพญโยมปัญญาเยอะอาตมาปัญญาน้อยตมาไอ้ลงตาพูดแป๊บเดียตมาก็ทำพ่อหูมันรู้แล้วมันรู้เขาเรียกหูรู้ทำอะรู้ปุ๊บทาปั๊บใช่ไหมนั่งหมดช่อะสุดท้ายทะเบียนอะไรอู้โยมเอ๊ะทำไมล้มตาเราก็ไปถามคุณจารินบอกคุณจาร์คุณจาร์ขอโทษคุจาร์อยู่ก็ล้มตา่ะ ลุงตาสอนธรรมะแบบไหนเหมือนผมไหพระองคผมนะแลกเดินที่ว่ารถเข้าบรรดากี่คันผมก็ น, นับได้ห้าร้อยคันผมจะได้ตากราบลุงตาบอกหลวงตาครับห้าร้อยคันครับหลวงตาบอกทะเบียนอะไรไมีมนับทะเบียนอีกใช่ไหมยี่ห้ออะไรก็ไปถามไอ้ก้นรถโยมขอโทษโยมเนี่ยยี่ห้ออะไรเอาแล้วทําไมท่านมาถามรถมันสวย รถมันสวยก็เดียวเขาเล้วงตาถามยี่ห้ อ, อะไรกี่คันกี่คันก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมก็จำเป็นต้อ ง, งโง่ไปเลยดีกว่าใช่ไหมงโง่เต็มสูตรไปเลยดีกว่าถึงโยมบอกว่าเรางโง่เราก็ยอมงโง่ฮะเพื่อให้การตอบจัดครูบาอาจารย์ให้ชัดเจนแต่ลวงตาไม่เคยถามย้ำย้อนหลังเพราะลวงตาไม่เคยสอนห้าตามรติดอดีตท่านสอนห้าตามรแค่ปัจจุบันปัจจุบันอนาคตให้รู้ได้ แต่ท่านก็ไม่ให้ติดอน า, าคตให้ปัจจุบันอย่เดียวทะนั้นคําถามของท่านจะไม่อยู่ที่เก่าหลวงตาธรรมาอยู่หลวงตาไม่เคยบอกว่ า, าทําสุรินเดี๋ยววันนี้ผมจะไปน้องขายไม่เคยบอกเลยอยากไปก็ลุกขึ้นเลยถึงอา ม, มาไม่ใส่รองเท้าพราะวิ่งไม่ทันลุงตามัวจะวิ่งไปใส่รองเท้าแล้วลุงตาขึ้นรถแล้วไปทําได้ไงอะ่ะใช่ไหมนีม่หมดแล้วแต่พระองค์บอกเลี้ยวลุงตาผมไปเอารองเท้าคนรองเท้าใหญ่กว่าลุงตา โอ้ลองทำมาใหญ่ก็ลุงตานะสุดท้ายสุดยอดจริงๆเนี่ยธรรมาจําได้แม่นเลยฮะ <c oughs> ท่านบอกว่ามากี่นาทีอาจารย์ธรรมะ จ, จะตอบหลวงตาก็ไม่รับแต่พอลุงตารู้แล้วว่าที่พูดตารบแค่หูได้ยินมันทําแล้วมันทําแล้วไม่จําเป็นต้องย้ําอะไรอื่นอีกเลยแค่ปัจจุบันปัจจุบันอาจารย์ มีของตมาตมาได้รับหลวงตาไม่เหมือนใครมีขั้งหนึ่งไปไอ้งูไอ้งูสามันวิ่งผ่านหลวงตาหลวงตาทําสตรินงูตมาเลยจับงูจนได้เลยนะจับงูจนได้มาเลยเอางูให้หลวงตาเฮ้ยมันเอางูเอาก็บอกว่างูก็จับเลยแหละใช่ไหมเขาก็จะไปกลัวทําไมก็บอกว่าทําสตรินงูก็ไล่จับเลยอะงูบ้านตาจนเขาอาตมาดังเป็นพระจับงูเก่ง เขาบอกคอมเมนจับงูและงูไม่กัดตีแท้ไม่ใช่ยมเราสั่งคอมเมนตีเอาจริงๆลองคนนี้ให้ไปจับไม่หลวงตาโดนงูกัดไม่จาเป็นต้องสอนเลยนะถ้ากลัวงูกัดไม่สอนแล้วหลวงตาท่านลองใจเฉยๆแต่ตมาลองไม่ได้เอาจริงเอาจริงเพราะอะไรอะ่ะหลวงปู่ดูลงมาหลวงปู่ดูลเป็นผู้รู้จริงต้องเอาจริง สุดท้ายงูไอ้ตอมาจับกุมเกณฑตรงไหนก็จับแล้วมีครั้งหนึ่งไอ้งูรอกเชือกมันวิ่งไปพันขาล้มตาล้มเกือบล้มครั้งหนึ่งตมาก็คอยสังเกต ด, ดูล้มตาประจุเดียว่กันบอกอไอ้งูนี่แปลกมันชอบมาพันขาเราลูกกูนเราล้มครั้งหนึ่งเลยนะตมาก็เลยล้มตาไปกรุดตมาก็จ้องตามจ้องตามเลยล้มตามองซ้ายมองขวาปิดขึ้นกรุดเลยเอ๊ะทำไมล้มตา ก่อนจะขึ้นขุดรู้สึกมีฤทธิ์นะฤทธิ์เลยพลื้นเลยขึ้นเร็วฮะข่าหลังตมาก็จ้องตามไปตมาก็มองเห็นงูล็อกเชือกมันมันขึ้นโคเห็นลุงตาเดินมันขึ้นแล้วมันจะวิ่งใส่ลุงตาตมาวิ่งใส่มันเลย <c oughs> วิ่งใส่มันเลยตมาไล่จับจะได้นะไม่เออมึงอยู่หนีไปพ้นหรอกมึงมาพันอาจารย์ของกูนะ่ะมึงกูต้องเอาให้ได้แต่งูนี่เคยกัด ต, ตมาแล้วไม่ตาย เคยกัดแล้วไม่ตายอาตมาไม่จาเป็นต้องกลัวใช่ไหมลวงตาไม่เคยโดนกัดนะถ้ากดตายแล้วทำไงใช่ไหมแต่อาตมาเคยกัดแล้วไม่ตายงูสาก็เคยกัดอาตมาแล้วอาตมาก็ไม่ตายงูสิง์ก็เคยกัดแล้วก็ไม่ตายงูลกเชือกเคยกัดแล้วก็ไม่ตายและไอ้งูเงาเขาดำน่ะเขาดงอ่ะมันเคยกัดแล้วก็ไม่ตายนี่อาตมาจาเป็นต้องกลัวหรอกัดมาเรวเนี่ย รุ่นกัดมาแล้วใช่ไหมแต่องค์อื่นไม่เคยกัดลวงตาบอ ก, ม, ก, ก, กอมูก็โดดเข้าไปโอ้ยลุงสอนอะไรก็มาสอนด้วยก็มาสอนธรรมะแบบนี้เลยให้จับงูตายเลยเพราะว่าเขาหลวงตาลองลวงตาแค่ร้องใจอะถามาให้ลวงตาไหมไม่กล้าให้ไม่มีใครกล้ า, ลาให้เพราะว่าสิ่งที่ให้มันถึงชีวิตต้องให้พระห้าสิบสตังค์เหมือนตมาเนี่ยแะ ถ้าพเต็มบาดไม่กล้าทํำพระาะธรรมาดูแลเต็มบาทเขาไม่ทําเลยฮะเขาไม่ทําเลยบอกลวงตาไม่ดำดบผมไม่เอาวผมไม่จับกุ้งูกับไอ้ น, นี่เขาเต็มบาทไอ้ห้สาสิบตะตังไม่ฟังเสียงเลยฮะเพราะไม่เต็มบาทแล้วมันทําได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะจับเลยมือั้งหนึ่งตุ๊กแกหลวงตากำลังเขียนหนังสือตุ๊กแกมันขี่ไส้ไส้หัวหลวงตานะ่ะล็อกเลยหัวหลวงตาบ่อยเทวทัตมันขี่ไส้หัวหรอกหลวงตาเขียนหนังสือเสร็จลงไปธรรมาอารวาสตุ๊กแกเลย ไล่จับแม่มันเต็มกูดเลยไอ้ตุ๊กแกมันเข้ารูเข้ารูตมาก็ ม, มันเข้ารูแ ล, ล้วเนะเอาตมาก็เอามือแย่แย่แย่แย่ไปไม่รู้่ะหลวงตาบอกเอ้าท่านสุรินไปทําอะไรผมไล่ตุ๊กแกครับแล้วตุ๊กแกอยู่ไหนอยู่ในรูครับแล้วเอามือเข้าไปทําไมครับผมให้หลังกัดผมเลยกัดเลยตุ๊กแกมันก็นกัด ม, บมับหลอกขยักขยักขยั ก, ย ก, ยกมาตุ๊กแกนี้เลยค <laughs> วากหลวงตาโอ้ยหลวงตบาบอกไปเอาไม่ไม่เอาด้วยไปเนี่ยเอ้าก็กันเลยมันไม่ปล่อยอ่ะใช่ไหมเออเนี่ย เอาเลยหอยหลุงตาบอกอะไรมันเล่นออกอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาจริงๆแตา่มายอยู่กับลุงตารู้คําคําจังลุงตาต้องใหญ่เพราะเราให้ลุงตาหมดแล้วนะให้หมดแล้วฮะนี่คืออยู่เราลุงตาแต่มาได้ไม่เหมือนไข่ฮะแล้วไอ้แก้วน้ํำนี่เหมือนกนันโยมตั้งแก้วน้ําปุ๊บนะเสร็จแล้วนะน้ำครึ่งไม่ฉันสองวันก็ไม่ฉันแต่มาบอกคุณถามคุณจันทร์อินบอกคุณจนัจนทร์คุณจันทร์ขอโทษครับ ไอ้ที่สองวันแล้วไม่ฉันเนี่ยคุณอาจารย์เคยเห็นช่วยผมบอกช่วยบอกผมหน่อยทิเพราะคุณอาจารย์อุปถากลุงตามมาก่อนคุณอาจารย์บอกท่านไม่หิวบอกไม่หิวถ้าหิวก็ฉันแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะนะต่อมาตัดสินใจให้อันมึกมึงเอานมตาบีเลยครึ่งแก้วกูจะกินเสร็จแล้วกูจะถ่ายท้องเพราะถ่ายท้องป็นตะบัดไม่ได้ใช่ กลัวจะไปขี้ที่บ้านตาใช่ไหมต้องถายให้สมติดสมใจสมจริงสมจังแนะ่ใช่ไหมอดข้าวมันต้องมีเหตุนะ่ะตอนนี้มันถ่ายท้องบอกหลวงตาบอกว่าท่านเยี่นไ ม, ไม่ไม่ได้มาปรินทบาตผู้ปฐายหลวงตาองค์อื่นไปหลวงตาสอนหลวงตาไปบินทบาตแต่มาเป็นโจรปล้นขึ้นกุดหลวงตาเลยมันเป็นยังไงกันแน่่วะอาดูดูแล้วดูเล้ ว, ลวมันเป็นลายไม้จับได้อย่างดีฮะแป๊กไม่ฉันใหม่ เอาไปล้างเสร็จมาวางที่เก่าปั๊บดวงตาก็ฉันเพราะมันวางพิษนิดเดียวลวงตาไม่เอาเพราะจิตท่านเป็นหนึ่งเล่แบบนี้จะสอนใครได้ต้องเอาห้าสิบตะตังเท่านั้นอะที่เอาได้ฮนะเอาจริงๆห้าสิบตะตังเอาได้ฮนะได้เลยฮนะป๊อปถูกต้องกาณ้าก็ถูกก็โถนก็ถูกพิษน้อยไม่เอานี่เป็นอย่างนี้โยมเป็นมากพอดีฮนะ ไม่มาตมว่าบ้าพอดีฮะไม่มีใครเหลือบ้าเลยฮะเพราะลุงตาไม่บอกว่าผิดหรือถูกแต่ไม่ใช้ไม่ยอมใช้เลยอ่ะแล้วโยมจะไปตีปัญหาไงถามพระอินพระอินทก็ตอบไม่หิวเออพระอินอ่ะมีแต่พระอินองเดียวนั่นแ่ะที่จะเอาได้เพราะพระอินทำมาก่อนเนาะแต่ลุงตาสอนแบบพระอินอันนี้มันสอนแบบห้าสิบตะขังมันต่างกันเลยกนเลยเสียแล้วทํรารทำลายนยมเราได้จากลุงตาม ได้มากที่สุดเลยมันแตกต่างกันมีข้างหนึ่งมะพร้าวมันตกข้างหลังกูท่านอะศึกษาขี้หมามะพร้าวตกไม่รู้วันนั้นฉันเสร็จต่มาต่อยมะพร้าวบ้านถ่านหมดเลยไอ้ไนแห้งยังให้มันเหลืออีกเดี๋ยวโตตกก็โดนด่าอีกใช่ไหมต่อยไม่งเลยต่อยต่อยต่อยตออไปหมดตอนนี้เหลือต้นเดียวอยู่ตรงหน้าที่ล้างบาด่ะไอ้ก็ต้นเก่าไงที่ล้างบาดตะลาเก่าเน่ะไม่มีประมาณห้าโบงมาบอกล้วงไอ้อ้่งไอ้อ้วนเป็น ญาติเดียวกันท่านนะ่ะน้ำทุกนะ้ำไอ้อ้อมมันจะให้เหลือที่ไม่เลยโทรตกกัางคืนโดนดา่าตอนเช้าถ้าครูบารู้นะหืมไม่ให้มันถึงดินกอดแม่มับเลยวางท่าซ้ายขวาเต็มท่าเลยฮนะตกหมดหลวงตาบอกทําจรินตกกิโลสาทุสาทุคือนอกน้อมถ้าไม่รู้กระด้างที่สุดไม่เป็นสิทธ์ไม่น่าจะเป็นสิทธิ์หลวงตาคําตอบไม่รู้และไม่ทราบไม่น่าจะใช้ เป็นผู้ถึงขั้นอาจารย์เราบอกสาธุคือนอบน้อมท่านบอกต้องนับให้ครบเพราะมันตกนี้และให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนขาดหนึ่งเปอร์เซ็นเพราะไม่ได้นับเลยบอยอ้งลวงตามมายืนนานะโอ้ยพ่นยิ้มเลยครูบาวางท่าวางท่าสยืนด้างหลังอนะ่ะคิดดูนะโยมนะท่โง่โ ง, ง, ง่อาจารย์ยังตามดูเลยนะ ตามดูพฤติกรรมน่ะเออมันได้ยินแล้วมันทำไมทำฮะสุดท้ายเข้าพรรษาตมาอาจารย์ถุยมาก็เอายี่สิบลูกใส่รถอันนี้ไดมาท่านบอกไม่ใช่ชื่อเยื่อนเยี่ยมแชื่อเยี่ยมแง่เพราะไม่มีใครคิดน่ะเป็นเงีย้ยทั้งนั้นไดาจากหลวงตาเราได้ไม่เหมือนใครไอ้ที่สาหัสที่สุดคืออะไรไหมเหรียญหลวงปู่มั่นรุ่นแรกที่ทำหลวงตากราบทุกวนันทุกวนันทุกวนันทุกวนัน เราไม่ถามหรอกเอาออกไปเลยลังกระดาษสองห่อเนี่ยรองล้งเอาออกไปเลยไปเปิดดูเรียนลุงปู่มันโอ้ยสิบเป็นเดือนแล้วจําเป็นต้องเอาออกแล้วแล้ถ้าเอาออกแล้วอาจารย์จะกราบอะไรใช่ไหมโยงเด้๋วก่อนไหมจะกราบอะไรออกระออ ก, ออกแบกแม่มไปเลยไปให้พระอินทร์รู้จักพระอินทร์ไหมหลวงพ่ออินทรายอะไปให้พระอินทร์นะเพราะเป็นพระอินทร์บริวารเยอะมากบอกคุณจาย์ นี่ของเหรียญลุงปู่ม่านลุนแรกนะกุญจาร์จะเอาไปไหนนะผมฝากไว้ถ้าเกิดพ่พะแม่กุญจาร์เรียกกลับผมจะขอกลับคืนไปตั้งแต่นั้นจนถึงมรณาภาพไม่เคยถามเลยว่าอยู่ที่ไหนไม่เคยถามเลยเพราะว่าหลวงตาท่านรู้อาตมาไม่เคยเอาเรียนองคไหนเลยไว้ในคอตามาหรือไว้เป็นที่พึ่งตามาไม่เคยแต่ลุงตาท่านรู้ขนาดเขายังไม่เอาและฉันจะเอาทาไมวะ ฉันก็เฉือเหมือนกันเลยว ะ, ะใช่ยเดี๋ยวท่านเยืนบอกว่าดังกราบอาจารย์อยู่ได้ใช่ไหมประเมินประเมินเองนะท่านก็เฉือนขาดเลยนะเอาฉันก็ไม่เอาเหมือนกันนะเพราะท่านสอนปัจจุบันของตามาไม่สอนอดีตและอนาคตปัจจุบันอย่างเดียวหลวงตาสอนอย่างนั้นเองนะทั่านั้นจริงที่จะ ม, มาได้ไม่เคยบอกลงหน้าไม่เคยบอกลงหน้าว่าวันนี้ทํานูน้นวันนี้ทํานูน้นเพียงแต่เฉือนตรงๆเลยฮนะนั้นคนอื่นจะได้เหป็นตามาได้ยากนะ ยากมากบางครั้งบอ ก, บอกเดินมาปั๊บยาทาตน้ําขาวมีกี่ขวดอตมามาขึ้นวิ่งไปนับบนฉลาได้สามสิบขวดข้าวหลังน้ําแดงอตอมาซื่อสัตย์นะนับแต่น้ําขาวแต่น้ําแดงไม่ได้นับข้าวหลังบอกน้ําแดงนับอีกเนะเออโอ้โหมันดีมากเลยมันสนุกไปอยู่อาจารย์สนุกมากเลยอ่ะแตมาอยู่กับท่านนะ ลาวนอนได้แต่ขมินอนไม่ได้ให้มาจับเส้นจับเส้นเนี่ยจนโกนกอ ก, กรอกนะถึงจะปล่อยมือได้นะถ้าไม่เสียงกอ ก, กรอ ก, ก็ปล่อยไม่ได้โยมล้มตาธรรมาสังเกตดูทําไมไปกอ ก, กรอกตอนเที่ยงครึ่งโอ้ บ, บ่ายหนึ่งครึ่งพอารรมาสู้เข้าเหนียวได้แล้วเพราะค้าวเหนียวนยีน่โอ้โหมันหักคอขมเหน็นนะ่ะมันหมัมนยิ่งนั่งๆั่งกมันจะหลับทว่เดียวเนาะล้มตาท่านฉลาดท่านให้ธรรมาต่อสู้ความง่วงนอน เพื่อชนะเข้าเหนียวตอนตอมาชนะท่านท่านท่านจะทำทานหลับหลับนะหลับกอกตอมาเคยครั้งหนึ่งกอกกอกตอมาปล่อยมือไปกอนจะถึงประตูก็กหายอัตอมาก็เลยมาจับใหม่จับใหม่จับจับตอนนี้อตัตมาก็ค่อยพ้นจะประตูประตูใส่ก่อนปับ๊บคลานไปเลยถึงถึงบันไดยอย่างกอกกอกนะตมาไปได้แล้วถ้าเกิดหายก็ต้องมาใหม่อีก ลวงตาท่านทดสอบดู ม, มันมันมันมันใส่ใจขนาดไหนอะเออขนาดนั้นอะแต่วิชาตรงนี้สอนใครไม่ได้สอนได้เฉพาะตะมาองเดียวไม่ได้คนอื่นจะไปเอานะเอาอย่างตะมาจะไปเอายังไงก็เอาไม่ได้อยู่ดีฮ ะ, ะเพราะเอาไม่ได้ฮะแล้วนะมีอีกข้างหนึ่งมีพระที่ท่านรู้ธรรมะมากคุยธรรมะกับลวงตาดีมากเป็นด็อกเตอร์ลวงตามาบวชลวงตาก็ให้ส้มเขียวหวานไปห้าลูก องหลวงตาบอกเออให้แจกเป็นธรรมเพราะท่านมีธรรมเยอะเขาก็ปอกๆได้สิบองค์พรยี่สิบเจ็ดรูหลวงตาไม่พูดสักคำเลยคราวหลังนะอาตมาเจอปลดตัวเดียวท่านยื้มมาทํานุรียนแกเป็นธรรมตมาแจกหมดก็ดูกระตมาไปแจกแจกหมดหลวงตาก็มองเห็นนะไอเ้เซอร์น่ะมันไปได้จริงๆ <laughs> ท่านพี่รีต้องทันยืน ทางบ้าหรือไงวะแล้วก็ดิวครจะกินได้ <c oughs> เอาก็ <c oughs> แจกเป็นธรรมอ่ะมันต้องครบใช่ไหมทำไมครบมันจะเป็นธรรมได้ยังไงแจกหมดเรียบร้อยหลวงตาก็บอเป็นไงเป็นธรรมไหมบอกก็บผม 99% เอ๊นึกออกปรับใช่ 99% เพราะตอนหลวงตาให้มาหลวงตายัางไม่ได้เอา จับยื่นให้เลยเพราะขาดหลวงตา <c oughs> เออขาดลวงตาอืมมันต้อต้องเอาให้ได้เอาเสียชื่อมาจากสุรินด้วยเออตอนนี้ลวงตารู้ว่าเราเตรียมพร้อมทิ้งสามเดือนถึงจะให้หมาเลือกปลาลด้อยที่สุดเลยตอนนี้ยแจกแจกธรรมะก็แจ ก, กแกะตมาหักจมูกมันนิดหนึ่งตรงเนี้ยนิดเดียวกําไว้จะใส่บาดลวงตาให้ได้ ถ้างั้นมันจะเสียศักดิ์ศรีจังหวัดสุรินทร์และเสียผู้ส่งมาด้วยตอนนี้หลวงตารู้วตาตมาจะใส่บาตรท่านทําท่านะตะมาเดินจะมาใส่บาตรทั้งทางอ้หัวตะมาหัวเลาะลั่นเลยฮะพอ ท, ทําท่าใส่เงี้ยมันหัวได้ยงไงโยมก็ห่อกะตามาเล่นใช่ไหม <c oughs> ไะ<ป>ห <c oughs> ลวงตาหัวเลาะอะไร <c oughs> ไม่หัวได้ยังไงก็ทำํำขาแห ม, <c oughs> มเอายมก็เห็นหลวงตาใช่ไหม ท่านแก้ไงท่านทักตมาข้ว่าอ๊ยตมาก็ัเเดียวก็บําไว้อาจารย์ยังไงเนาะข้างหน้าก็ไม่ให้ข้างก็ไม่ให้ก็ใส่บาดท่าไหนวะเจะบอกว่าดีดอนเตชาวมากับคนยินไงไกสีเป็นโตเบลเลยเนี่ยขาดมาลงตาก็รับสองมืออาตมาเข้าตมาใส่บาดลุงตาตรงตรงแขนนะตรงแขนเลยใส่ปุ๊บเลยท่บอกเอ้ยขเขมีนายนใส่ยาสั่งอนะ อ๋อท่นหาจนเจอนะเจอจมูกปลหลดท่านจับมาให้ดเตอรชาวดูนี่เห็นไหมองค์นี้เป็นธรรได้เป็นใหญ่ได้นะเพราะเขามีความเป็นธรรมถามว่าฉันได้ไม่จําเป็นแต่ความเสมอภาพความเป็นธรรมคือต้องเสมอภาพท่านบอกร้อยเปอร์ซ็าถูกคนเดียวก่อนจะได้ร้อยเปอร์ไม่ใช่ธรรมดาเลยพระอารหันให้เปอร์เซ็นโยม ไม่ใช่ผู้ทุสนให้เปอร์เซ็นต์นะมันเป็นมงคลนะไม่ใช่ธรรมดานะโอ้ยสุดยอดเออให้ร้อยเปอร์เซนตตอนนี้เราก็อื่นๆก็เยอะถ้าพูดทำาลงตาแต่ตอนนี้เราในบนท่านไปเขาตลาดถวายทองท่านสองกิโลครึ่งบูชาทำลงตาลงตาก็อ่านเลยท่านเยือนตัวงโง่คันติพระโล เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชันี่โง่ที่สุดคือมหาวิทยาลัยวัดป่าบ้านตาร้อยเปอร์เซนต์ไปดูไม่มีไปเลยฮะถวายทองคำบูชาธรรมหลวงตาโอ้ดูที่ยังจำนะตัวงโง่คันติพโล <laughs> เหมือนเป็นพ่อเลยโยมอ่ะเหมือนพ่อมังเกิดเก้าวหนตาตมารักล้งตารักมากเหมือนเป็นพ่อตามาเลยฮะรักมากเพอาะตามาให้อาจารย์หมดแล้วอาาัตมาไม่เหลืออะไรแล้วให้อาจารย์หมดถ้าให้อาจารย์อาจารย์ก็ให้เราได้ใช่ไหมทางนั้นอาจารย์ท่านจะลองสิทธิ์ท่านลองแบบสิทธิ์ไม่รู้ง่ไม่รู้เลยว่าสิทธ์นะี่ยเสื่อนมากเหมือนเนี่ยที่ตามาเคยครั้งหนึ่งตามากาําลังล้างบานเยี่ยล้มตาบอกเดินไปถึงปุ๊บเราจะเอา เราจะเอาอันนั้นตมาก็เลยวางบาทปุ๊บตมาวิ่งไปเอาหลวงตาหลวงตาเดินสกัดตมาไปบอกไม่ต้องแล้วเพราะให้หลวงตาแล้วแต่ถ้าคนอื่นบอกว่าหลวงตาเดียวผมล้างบาทเสร็จแล้วค่อยไปเอาแค่นี้ไม่ต้องสอนหรอกสอนมันทําไมไม่ให้หลวงตาเงาตมาห้าสิบสตังค์มันใส่ได้ไอเต็มบาทมันใส่ไม่ได้เพราะมันล้นเข่าใจไหมโยมต้องทําให้เหลือห้าสิบสตังค์ตมาจะใส่ไปได้เข้าใจไหม เออเหมือนแก้วน้ําก็ทํางเทออกครึ่งหนึ่งเนี่ยเรือตมาก็เลยได้อ่ะตมาก็ได้มาได้มาได้มาก็เลยอยู่ครูบาอาจารย์รุ่นตมามันรุ่นโหดรุ่นกําแพงไม่ใช่ธรรมดารุ่นกําแพงแล้วรุ่นอธิษฐานเข้าปัญษาตอนตีหนึ่งเพราะวายุนมันวิ่งเข้าขุดลงตาเสร็จแล้วมันก็บอกมหาตมาบอกโยมให้โยมเข้าไป ที่สลาก่อนเพราะประเพณีของวัดป่าบรรตาศนีย์เขาต้องไปนี่บอกไม่ผมจะมามาให้มหาบัวแล้วถามกุศมหาบัวอยู่ที่ไหนหลวงตาอยู่ข้างบนหัวอาตมาก็บอกคุณหลวงตามหาบัวก็อยู่บรรดาศิษย์หลยนะ <c oughs> อยู่บรรดาศิษย์บรรดาศอยู่กุศไหนพุ่นยาวๆฮนะพุ่นยู่ไหนก็พุน่นพุ่นยาวๆเนะ่ะ เออมันไปที่ไหนก็มาด้วยว่าพูดพูดแหลมเนาะก็จะพูดเองง่ากอาจารย์อยู่บนหัวเจะาของอ่ะจะไปกล้าเอาลุงตาอยู่เหรอไม่เลยไม่กล้าพูดเราบอกพนดพูดพูดมันพูดให้ฟังแต่มาคํำคอเป็นสองคนลาบมันเลยล่าบมันไปตลาดเลยลุงตาเห็นเลยอู้ดยืนมันเก่งจริงๆอะมันกระโดดล็อกคอสองคนล่าบมันไปเออหลอดเลยนะโอ้พูดให้รู้เรื่องบอกพูดพูนอย่างนจุดใสอีกวปะลาบไปเลยมันรอนะรอพบลุงตาจนถึงตีหนึ่งนะ ก่อนจะอธิษฐานเข้าพรรษาคิดดูอ่ะท่านมบอกอาจารย์มันไม่บอกน่าเห็นใจทําชุดนุ่นทุกคนสองต่อหนึ่งมันเอา่าท้ายรักอาจารย์รักมากด้แม้แต่ชีวิตตัวเองไม่ได้คิดนะฮะง่าก็คำคอไปเลย ม, ยมันบอกสุดท้ายบอกว่าพระบรญการมีพระอ่านตระพรานองค์หนึ่งดำดำแล้คอมันเกือบหายใจไม่ออก อาตมาสังเกตดูสมมด็จนุมาเมื่อไหร่จะ ต, ต้องไปคุยกันสักหน่อยแะเะไมีวันหลังมันมาตลางกลางวันดักไปคุยมาเลยอ่ะบอกโยมวันนั้นโยมคิดว่าอาตมาเป็นพระอันาผานใช่ไหมรู้ได้ไงรู้ที่รู้เน่ยจริงจริงโยมเป็นคนอันาผานไม่ใช้อาตมาเพออราะอาตมาบอกให้โยมไปรู้แล้วโยมถสือไม่ไปไม่บีคอตายสมบุญโคแล้ว ต้องบา น, นั่นแหละเคยตัวร <l ug> ุ่นตมานี่บางคนอยู่รุ่นตมาก็แค้นตมาอยู่เพราตมาอยู่กับเป็นจาเจ้าดิไ้นอก็เป่าคุณจิ้มดิเวลต้องมีฤทธิ์ดิ <l ug> ชาวตัว๋วบาลนั่นแหะครูบาอาจารย์นะถึงตมาบอกหลวงตาดําเราให้ชีวิตทั้งหมดแล้วถึงตอนเผาหลวงตาใช่ไหมคนอื่นก็จุดไฟอตมาเผาเลยเครับเขียนนายโยมไปไหมนั่นะอธิพายไมมพุดธวัฒน์ พอตะมาไปวางเพลิงปับ๊บผ่าหลุงตามารับไม่พูดเลยก็าบอกเอา้าเยื่นอนเผาได้ไงอ่ะเอา้าก็ไม่แล้วทําไงอ่ะตะมาก็เข้าไปดับเอาไอ้ตะบองไปตีมันยิงไม่ขึ้นกับห <c oughs> ลวงพอง่พอหลวงพ่อเมืองต้นเหตุอ้ตามาไม่ขึ้นแล้วบอกเฮ้ยยมามาเมาจนยกคุณไปด้วยกันเนสุดท้ายอ่ะไม่เรียบร้อยเลยฝ่ายหญิงไม่ได้จุดตอนนี้กุญแจดินถวายบอกคุยกับฝ่าหญิงบอกชิดหลวงตานะ่ะ บางองค์เขาจำแม่นเพอาะลุงตาว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยแต่บางองค์เขาลืมนีองค์เดียวจำแม่นจุดเลย <c oughs> จุดเลยขึ้นไปจุดเลยก็ไม่ได้ไนีอะไรตามาก็วางเพราะมันไหม้เลยแล้วจะทำไงได้เขาก็จะกตมาก็มองโวยดับไม่ไหวตามาก็ลมเดินหนีไปเลยอตัวใครตัมันเหรอมองคนบอกมห า, าร้ายจริงๆไงคอมเมนเนี่ยเออมันต้องมีเวล่ำเวลา เ, เออประธาน จุดเพลิงี้จุดเองเลยเอ้าก็ดีแล้วเนี่ยเน้องได้จุดอาจารย์มีที่ไหนอะ่ะก็เรียบร้อยสบายเลยล้มตายไม่รูปภาพที่ถ่ายไปล้มตามห น, นีเลยเพราะโดนไฟ ต, ตามานม่กุมบันโอ้ยไม่ไหวแล้วก็เมนจุดแล้วก็เลยคืออยู่ครูบาอาจารย์วัดตามาอยู่ตอนนี้รุ่นตามาเนะ่ะก็อยู่ไม่กี่องค์โยมประมาณเจ็ดแปดองค์รุ่นตามานะ่ะ คุณอาจารย์มนมียคุณอาจารย์ลีอาจารย์อินทวไยอาจารย์บุญธั น, นอัตมาท่านสุดใจท่านสุดชาติธรรมราที่อยู่รุ่นนั้นนะนะยังมีชีวิตอยู่นอกนั้นตายหมดสึกโยมเอาไปทําพันหมดแล้วอัตมาเขาเอาไม่ได้เพราะเอาไปแล้วลูกมันจะออกมาเสียอ ไ, ไม่กล้าเอาไปไม่กล้าเอาไปนี่การอยู่กับหลวงตามันลึกซึ้งมากกว่านี้เยอะ อาจารมาอยู่ประมาณสามปีกว่ามันเยอะแยะแต่การออกจะกลวงตาตอามาออกไม่เหมือนใครการออกมารองแม่ทัพภาคสองเอาหนังสือมารับไปเอารถยิมสี่รถสิบล้อทหารมาบรรทุกไปวันนั้นหลวงตาให้อาตมาให้พรอามาให้ถึงหกครั้งให้ยะถามไม่ถูกหลวงตาทงนั้นวันนี้ต้องบายสองถึงใหฉันข้าวให้ไม่ถูกนะสุดท้าก็ถูกฮก็เลยได้ฉัน แต่ตอนตอนตอนออกจากบ้านตากมีปืนเ e อ็สกองกระบอกปืนพ้องหนึ่งกระบอกทหารสามคนนะขับรถนินรถจิบนําทางไปนี่มันทุกแบบคุ้มกันเลยนะออกจกังบาทไปเหมือนใครนะแบบมีปืนเลยทุกวันทั้งมีปืนตลอดนะออกจังบาทออกจากบ้านตากก็มีรีตแล้วใช่ไหมคนอื่นก็ไม่มีเขามีแต่เงินออกไปด้วยอันนี้ไม่มีเงินรถสิบล้อเลย คืออาตมาเป็นพระอันหนักหน่วงก็เพราะเป็นทุกสิบโลอออกจากบันตาลคือการออกจากอาจารย์นะมันออกไม่เหมือนกันเลยนะของตอมาที่ชัดเจนเลยระดับในพลนะพลตรีเป็นผู้มัดมาม า, มารับตัวไปนะไม่ใช่หลวงตาไล่ออกนะถ้าเราหลวงตาไล่ออกเสียหายย่อยยับที่ผู้รู้ส่งมาทางนั้นอาตมาต้องบอกหมูเ่เพื่อนบอกอย่าให้หลวงตาต้องไล่ออกนะเสียหายชื่อ องค์นี่ยมาแบบมาปิกอัพกลับรถสิบล้อ <c oughs> <c oughs> กลับรถสิบล้อเลยทั้งนั้นนะอยู่บรรจาดไม่มีใครเซอร์ต้องมาเซอร์ที่สุดเลยฮนะทั้งเซอร์ทั้งโง่ทั้งทุกอย่างเลยนะแต่ดีที่สุดคือได้อุปถามภ์งตาถ้าจะเอาความรู้อื่นนั้นสู้เขาไม่ได้เลยจบนะไม่มีอะไรสู้เขาได้เพราะว่าไม่มีตัวไหนสู้ได้สู้ด้วยความเซอร์นี่แหละได้ เพราะเขาไม่เซ้อเราเซ้อเรารับครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกันบางครั้งท่านท่านบอกว่าเราอยู่ก็หลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นนะ่ะเรียกพระท่านใช้เคาะไม้แกะแกๆแกะเคาะให้แตกกุดไม่มีพระองค์ไหนรู้เรื่องท่านบอกเนี้ยอาตมาวันนั้นท่านรู้แล้วท่านพูดหัวออตามาต้องหาเรื่องแล้วดังเตาะเปาะเตาะเตาะเนี่ย ตมารู่และตมาอยู่ที่โรงน้ำร้อนตอมาก็าไปข้อาการเพื่อนรอาจารย์ครับมีอะไรให้ผมรับใช้ไหไม่มีหรอกไม่มีหรอกหูได้ยินนะท่านท่านทดสอบดูว่ามันได้ยินไหมเทีแท้เสือกได้ยินนะฮะเสือกได้ยินในขนาดเบาๆยังได้ยินคนอื่นไม่ได้ยินนะฮะขอให้แตกมันได้ยินเพราะเขาไม่ได้ให้ลุงตาเข้าใจไหม การไม่ให้อาจารย์ทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์พูดเล่นก็ไม่รู้เรื่องเราให้เราก็เลยสบายนะก็เลยได้รับมาก็เออสิ่งที่ทั้งนั้นการอยู่ครูบาอาจารย์ให้เลยฮะเดี๋ยวท่านจะให้เพราะถึงตามาตั้งชื่อบาตามาห้าสิบสตังเปอร์ไรพ่อตมาเท่ของตมาออกไปครึ่งหนึ่งอาะตมาเหลือครึ่งหนึ่งล้มตาใส่ไปตมาก็เหลือใครจะแม่นะไม่เต็มบาทรับไม่เต็มบาททังนั้นเหมือนคาวานานี้เหมือนกันนะ ท่านโยมลองให้ตะมาสิบนาทีแรกนะตามไปรับรองน้ำเย็นโยมยังอยู่เลยนะแต่ถ้าโยมไม่ให้อ่ะรับรองไม่อยู่เลยเพราะโยมเอาของโยมเต็มเนี้ยใช่ไหมไม่ตามเพราะมันเป็นบริษัทใหม่เพิ่งเปิดไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยว้าเรื่ธรรมะบ้าอะไรเนี่ยธรรมะแบบนี้แต่จริงๆแล้วตัวนี้ดีมากมันระ ล, ลึกมันนวมั น, ม, น, ม, นมันดึงสติมาได้ถ้าตามาให้โยมนึกถึงสตอื่โยมนึกไงก็ไม่ไม่ถึง ไม่รู้ว่าสดืออยู่ตรงไหนหลับตาแล้วแต่ให้กินน้ําเย็นปั๊บโยมรู้ว่าน้ําเย็นใต้สดือเหนือสะดือเออมันมีสตินะ่ะขึ้นรู้นั่นดีเลยนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้เอาอย่างนี้ใครถามอะไรอีกมีไหมหมดคำถามอา่าถ้าใครไม่เย็นก็บอกมาจะเติมอีกสักขวดหนึ่งเ น, นนเนี่ยนี่ไอช็อกโกแลตนี่แหละเนี่ยท่านฟิลิปท่านบอกท่านเยอะเนี่ยเพราะอะไรเป็นสีช็อกโกแลต พออยู่บรรดาศรีนี้ไม่ใช่ศรีตอนมาอยู่บรรดาศรีนี้จริงจิโยมสีกรรมฐานเลยอ้ น, นี้ตั้งแต่ไปอยู่สุรินทร์กรรมฐานค่อยหายค่อยหายไปเรื่อยได้ขาวที่สุดในโลกแล้วเนี่ยในชีวิตขาวมากอันจริงไม่ขาวง่ายขนาดลงตาขาวไว้ในห้องอเราเนี้ยไม่มีอะไรเนาะในประธานจะถามอะไรเป็นแนวทางให้เขาสงสัยบ้างไหม คือถ้าเคยกําหนดลมหายใจเข้าให้ยจอ่อพูดเข้าโทรออกพูดเข้าโทรออกนะอันนี้แหละตมาขอแค่สิบนาทีให้โยมเอาสติาการที่โยมนึกตรงนี้ลงไปตามน้ําเย็นแทนซะเสร็จแล้วถ้าน้ําเย็นอยู่ในท้องแล้วโยมมันนึกพุทโทก็ได้แต่โยมจะมีรู้สองรู้รู้อยู่ตรงนี้กับรู้ตรงนี้ถ้าได้รู้สองรู้ได้ใช้ได้เลยฮนะแต่ถ้าโยมรู้ตรงนี้โยมไม่รู้ตรงนี้เลย เพราะมันแยกกันไม่ออกนะไอ้นี่วิธีการปฏิบัตินะถ้าเสียดายของเก่านะาเทศดตะาดของเก่าลมหายใจใหายใจเต็มที่เลยฮะเต็มที่เลยฮะแต่ลมหายใจกับน้ําเย็นตรงที่รู้สึกตอนมันคนละส่วนกันคือถ้าแยกส่วนออกได้หมายความเราแยกธาตุลมออกแล้วจากตัวจิตเรานะทังนั้นมันจะติดลมนะไม่ต่อ ก็ตมาบางคนถามอย่างนี้เหมือนกันตมาบอกถ้าพุ่มนี้โยมไม่กินน้ําเย็นก็ไม่ต้องกินก็ได้กินข้าวไม่ต้องกินน้ําเย็นเน no. อะความจริงน้ําเย็นอ่ะวันหนึ่งกินกี่กี่แก้วตั้งแต่ลุกขึ้นมาจนจนนอนหลับอ่ะกินน้ําร้อนใช่เอนาน้ําธรรมดาได้แหละมันเย็นอ่ะแต่น้ําธรรมดาเลยแหละน้ําเย็นอเพียงแต่ ว, ว่า อย่างน้อยเพราะว่าน้ําเย็นที่ตะมาให้กินนี่เพราะมันทะลวงไปลมมันทะลวงไปเราไม่ต้องพิจารณาตามมันไปมันแยกกายออกทางนั้นเราถ้าไม่มีน้ําเย็น ม, มันต้องแยกแหวกแหวกแหวกแหวกแหวกแหวกจนถึงลําไส้อย่างนี้อะเลยน้ําเย็นเนี่ยมันไปถึงปุ๊บจับตรงนั้นปับ๊บมันก็ไม่ต้องมากังวลตรงนี้นะทางนั้นน้ําเย็นตรงนี้ยน้ำเปล่านี่แหละที่เย็นเย็นโยมกินได้แต่ตะมาว่าตอนนี้กินไม่ไมกินไม่สําคัญแล้ว พอให้โยมแค่รละลึกไปนิดเดียวโยมจะเย็นเองแค่ระลึกนิดเดียวฮะระลึกไปตั้งไว้เฉยๆนิดเดียเดี๋ยวก็รู้ละน้ําเย็นยังอยู่ไม่หายไปไหนหรอกน้ําไปแล้วแต่ติตรงนี้ยังกํากับอยู่ฮะถ้าไม่ดูตรงนี้พับจิตมันจะออกนอกมันจะออกเพนผ่านนั่งภานาเดี๋ยวก็ไปนูน่นไปนี่รับแขกมาอยู่เลยไอตอนนั่งคุยกันแขกไม่มานั่งภานาปั๊บโอ้ยแข่อะไรเยอะแยะ ไม่ไหวเว้ยหลวงพ่อกิเลสเยอะเหลือเกินทำไมถึงกิเลสเก็เดกไม่สงบเลยอยเดี๋ยวไปนู้นอีกไปนู้นอีกไปนู้นอีกไปนู้นอีกเพราะอะไรโยมหน้าเห็นใจจริงๆนะถึงอาตา ม, มาต้องเอาน้าเย็นช่วยเพราะถ้านน้ำเย็นปุ๊บแขกไม่มาอ๋อจริงๆแขกไม่มาไม่มามาไม่ได้เพราะแขกเจอน้ําเย็นมันกลัวมันกลัวเอาจริงๆทางนั้นไม่ได้เลยมันเหนื่อยมันนั่งนี่นั่งดูอะไรอ่ะ สุดท้ายก็มากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธทโธไอ้พุทโธมันไม่ซึ้งเลยอะ่ะเพราะมันไม่ได้กลืนมันไม่ได้น้อมเข้ามามันไม่น้อมเข้ามาเลยมันไม่ซึงถ้าน้ําเย็นมันน้อมเข้ามาเลยตามเข้าไปมันสดชืนน่นเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งนั้นปัญหาที่สุดเพราะว่าที่ให้กินน้ําเย็นเพราะไม่ต้องการให้จิตออกน้อมแค่นั้นเองถ้าถ้าจิตของโยมอยู่แล้วไม่ต้องกินเลยฮะให้โยมแค่และลึกรู้ตรงนั้นต่อเนื่องต่อเนื่อง จนชัดเจนต่อไปเนี่ยไม่มีอะไรมาแทรกแซงในจิตเลยแค่นี้เองฮะก็มันไม่มันยังอื่นไม่มีแล้ว่ะที่เราปัญหาหนักที่สุดเพราะเราจิตมันไม่ยอมหยุดนะหลับตาแล้วก็เดี๋ยวก็ไปแล้วไอ้แขกไม่เคยรู้เคยไม่เคยคุ้นเคยกันเลยไม่รู้ชาติไหนตระันไหนมันเสื่ยงมาเห็นตอนภาวนาเอ๊ะมันมาทำไมวะแคกไม่ได้รับชนินอะ ยังไม่ได้รับเชิญลําบากมากไอ้แข่งไม่ได้รับเชิญนะก็โยมนั่งรวยอ่ะว่าแข่งโยมอ่ะไม่เคยรับเชิญมันมาได้ยังไงนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเจ้าของเลยนะเรื่องคนอื่นทางนั้นโดยที่เอามาทายใบใจเจ้าของถามมาเรื่องเจ้าของหาเจอไหมไม่เจอถึงอาตมาจําเป็นต้องเอาน้าเย็นช่วยให้เห็นเจ้าของซะเออไม่ให้เห็นเจ้าของซะถ้าเห็นเจ้าของแล้วก็ต้องไม่ไปขโมยเรื่องคนอื่นมาส่วนมากมันไปขโมยเรื่องคนอื่นมา ถึงจะมาบอกมันจบเนในอะไรรู้ไหมในระคุณในระคุนอะไรนระคุณจิตเจ้าของไอ้จิตไม่ดูเสือไปดูแต่แขกโอ้ไม่ไหวอะ่ะตมาเป็นพระใจดําไม่รับแขกไอจิตไม่รับแขกเลยรับไม่ได้ฆ่าก็ฆ่าตายเลยต้องมาฆ่าตายเลยมาไม่ได้เลยและจิตตรงนี้ที่ดีอย่างนู้นก็ว่า ถ้าเราดูตรงนี้เรื่อยๆไปนิมิตทั้งหลายทั้งปวงไม่เกิดขึ้นมันจะตัดนิมิตออกเลยฮะตัดออกเลยฮะเหลือแต่ผู้รู้นั่นเองทั้งนั้นตมามีแนวทางตมาคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีน้ําเย็นโยมต้องมานั่งเพ่งอาตอมาบอกโยมดูพุโทโธลึกไปถึงสะดือนะโยมก็เพ่งสะดืออยู่ตรงไหนหลวงพอ่อสะดือโยมไม่เห็นเลอไม่เห็นหลับตาแค่หลับตาก็ไม่เห็นแล้ว ลืมตาก็ยัไม่เห็นเลยถ้างั้นนะอาตมาถึงนึกถึงกรรมฐานห้าของพระพุทธเจ้าให้ว่าเราว่าเราไว้อะกรรมฐานห้านะนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเป็นกรรมฐานข้างนอกตลบมาข้างในอ่ะแค่ถ้าโ ย, ยมนึกหนึ่งนะให้กรรมฐานของพระนะโยมใช้ได้เพราะโยมมีเหมือนกันให้แค่ว่าผู้บวชให้นึกถึงเส้นผมเช่นเดียวเนะ่ะรับรองไม่ถึงวารนแน่นอนโยม เส้นผมมันอยู่ตรงนี้เอาจริงๆดูเส้นผมเส้นเดียวมันจะไปไหนอ่ะนะดูเส้นผมเส้นเดียวเฉยๆอะจิตมันไปไหนไม่ได้เพราะลืมตาดูอ่ะแค่ไอันนี้จิตสงบอันนี้ก็จิตสงบเลยนะลืมตาดูไม่ต้องไปเพ่งมานะดูเฉยๆดูดูดูดเรื่อไปเดี๋ยวก็จิตกระรวมเป็นหนึ่งนะอันนี้คือคือกรรมฐานของพระนะที่สอนมาเพื่อให้บวดแล้วให้ดูกรรมฐานห้าอันนี้คือดูฮะ ตอนนี้เรามาดูเส้นผมแล้วถ้าเรามาดูฟันเราอ่ะฟันเราต้องไปจองกระจกทันทึกตรงนี้ก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยแค่นี้เองเรารู้เลยว่าสติเรามีหรือไม่มีแค่เอาเส้นผมมาพิจารณามาดูดูเส้นเดียวกันยังดูไม่เห็นแล้วอ่ะยากมากนะไม่ใช่ง่ายง่ยนะ อาตมาเป็นพระแค่ห้าสิบตะตังโยมไปถามเป็นับเต็มบาทไม่ได้อเออพระห้าสิบตะตังมันจะไปเต็มไหมนี่โยมถามเป็นเต็มบาทต้องถามพระเดชพระคุณข้างหลังนี่โอ้อาตมาไม่มีโอกาสได้เพ่งใครหรอกอาตมาจริงๆก็ดูจิตอาตมาอย่างเดียวน้ําเป็นสื่อเฉยๆน้ําแป๊บเดียวก็หายแล้วถ้าเราไปเพ่งเห็นน้ําเห็นน้ํ <c oughs> านี่เป็นกระสินเข้าใจไหม แล้วไปดูทำไมน้าอ่ะอันนี้เป็นอุบายล่อเฉยๆเหมือนเขาบอกพุทโธก็คือล่อลงมากลางสุดๆสุดพุทโธตรงไหนตั้งสติไว้ตรงนั้นลมหายใจก็สูดลมเยาะๆสุดลมตรงไหนตั้งสติตรงนั้นไม่ต้องตามมาก็ได้ไงให้มันว่างก่อนเลยเพราะจิตจริงๆมันต้องว่างอยู่แล้ว โอ้ไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวมันทําเองตอนทําเองเตรียมให้ดีนะตอนตาตาดเครื่องติดรถเดินเลยนะฮะ ไ, ไม่ต้องกลัวอพอจิตตรงนี้ตายฮนะเฮ้ยถอนทําไมอุ้ย <Cow boys. S 2> ไม่ต้องถอนนึกได้เดี๋ยวนี้เลยจิตตรงนี้คือตายต เ, เาด้อเสียดายเสียดายแขก กลัวไม่มีกลัวจะไม่มีแขกอ้าวตรงจิตตรงนี้มันไปสู่ความว่างเลยนะมันว่างเวิ้งเลยนะมันเวิงเหมือนเหมือนดีเลยอะ่ะใช่โลกหนึ่งเลยฮะเพราะมันออกจากธาตุสี่กันห้มันก็เลยโล่งเข้าใจไหมไอ้จิตที่เราไม่โล่งเพราะมันออกไม่ได้มันก็เลยไม่โล่งก็น้ำเย็นดิอ้าไม่มีน้ำเย็นจะเดินไปได้เหรอ ไม่ต้องตามไม่ต้องตามเอออ๋อเ น, นี่ก็เรียกอ่ะคืออย่างนี้อาตอมาเข้าห้องนอนมาถึงรมาดแล้วแต่โยมแอบไปดูตรงประตูเลยแขกพาไปเลยอดอหลอดเลยตอนนี้เขาบอต้องไ่แล้วโยมจะไปที่ เชียรพุ่งไปมันหลอกนิดเดียวเผลอไปยังไม่ได้อ่ะคืออยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่มันจะพาออกมาจ่านะฉันไม่ออกฉันไม่ออกฉันไม่ออกฉันไม่ออกทองแบบฉันจะอยู่นี่ฉันไม่ออก อ, อ่าอ่าอ่าอ่าก็ดูตรงนั้นอ่ะถูกต้องนั่นแหะถูกคือจิตตรงนี้มันกลัว พอมันเวิงเลยตอนนี้มันจะเย็นเย็นเย็นเย็นเยนเหมือนน้ำแข็งเลยทั้งตัวเรานะี่มันจับความเย็นปะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันเย็นหมดทั้งร่างกายวะแค่ยาสั่งแก้เดียวทําไมมันรุนแรงขนาดนั้นใช่ไหมเออบางคนก็กัวเฮ้ยโดนยาสั่งลงแต่เยื่อแล้วแบบนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยเนี่ยใช่ไหมเกิดเกิดแกมีฤทธิ์จริงๆอะทําไงอะ่ะใช่ไหมเออบางคนก็คิดว่างั้นอะแต่ถ้าจิตอยู่ตรงนี้อจิตจะไม่รับแขกอมแหมหน้าตายงี้ไม่น่าจะเสียดายแขกเลยนะ อ้าจริงๆเอเพราะเราเแขบมานานแล้วเลิกรับที่ทีเล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอานะก็ตัวนี้อย่างเดียวโยู่ให้ให้ดูตรงนี้นะเพราะตรงนี้ไม่เกี่ยวกับลมหายใจ น, นะถ้าอยู่ตรงนี้ปั๊บลมหายใจเหมือนคนละส่วนเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะเพราะเราไม่ดูลมเพราะเราดูตรงนั้นแทนแค่นั้นหายแล้วนะก็ถูกต้องเย็ดใช่นั่นน่ะ นานแมก็นึกว่าองค์ดำทก็นึกว่าธรรมดาเนาะแต่ก็เพิ่งออกถ้ายังอยู่นะเดี๋ยวธรมาสั่งให้คืนนี้กลับไปคืนอาจจะสั่งได้นะทนายมเชื่อธรมาแต่เชื่อปุ๊บเขาเลยฮะเข้าไปที่เก่าจิตจริงๆมันต้องไปสู่ความว่างถ้าไม่ว่างมันจะเป็นจิตอย่ยังไงครูบาอาจารย์ ภาวนาเพื่อเข้าไปสู่ความว่างหมดความว่างคนงนี่เขาเรียกว่าสุนตตาถ้าลงตาอาวกาศของจิตเข้าใจไหมเอเออวกาศของจิตจิตไม่มีที่ตั้งมันมันมันมันเป็นเอกเทศมันเลยฮนะไม่มีรูปร่างไม่มีผู้หญิงผู้ชายมันรู้อยู่ตรงนั้นอ่อแต่จะให้รู้อย่างอื่นไม่ได้รู้ว่าจิตมันว่างเลยนะแต่ไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่มีฮนะไม่มี ไม่มีเลยฮะต้องรีบไปท่อย่าไปรอคอยฮะอย่าไปรอามาเองยังไม่รอเลยอ่ะตมานะประมาณยี่สิบนาทีตมารอไม่ได้ไปก่อนเพราะว่าทําไมไปก่อนให้วความเซอ่อเนอี่ยใครนําไปก็พาไปหมดเออไม่ไม่ยื้อเขาอะ่ะเขาจูงมือก็ไปเลยฮะแต่งงานก็เลยฮะเออเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพระจะง่ายอะ่ะยังโยมันจะยากหน่อยอะ่ะตมาจูงไปไม่ไปอะ่ะ อ, อ, อืม โยมให้อยู่เ ร, ยเรื่อยเดี๋ยวโยมจะรู้เองแต่ว่าจิตตรงนี้มันจะทํางานของมันเองพยายามและลึกรู้ถ้าจิตความรู้สึกมันจะลงลึกกว่านั้นโยมตามไปเลยนะอะมันทํางานของเองน้ําหนักมันจะลงขึ้นเรื่อยๆอย่าไปอัานไว้ให้ต้องปล่อยไปเลยนะปล่อยให้ลงไปเลยถ้ามันจะบิดตัวลงไปอีกนะให้มันลงไปเลยแต่ส่วนมากทุกคนกลัวตายลึกจนจน ดินดินดิเดีมันรู้กันจริงๆ อ, งๆอใช่นั่นแ่ะจิตจริงจริงอ่ะเขาว่าสุญญตาไม่มีความสิ้นสุดคือความว่างนั่นเองฮะดังนั้นจิตตัวนี้จะไปได้ดีมากเลยเพราะตมาดูแล้วที่อื่นไม่ไหวเว้ยสู้ไม่ไหวฮะตมาก็ไม่สู้ด้วยหรอกพอเลี้งมาเล่นมาดูนี่ดูนั่งดูนี่ไปเรื่อยๆอ่ะก็มีว่า ม, มีมีอย่างหนึ่งเนาะ พอยะจิตตรงเนี้ยหลวงปูดูลท่านไปหลวงปู่มั่นอาตมาถามท่านเองนะฮะว่าลวงปูดูลไปหาลวงปู่มั่นไปเพื่ออะไรเพราะลวงปูดูลเข้าใจว่ากรรมฐานหายตัวได้หลวงปูมั่นไปถึงโอ้ลวงปูดูลไปถึงประมาณสี่โมงเย็นที่อุ่บนลวงปูมั่นกาลังเทศธรรมให้คนฟังลวงปูดูลนั่งจ้องหลวงปูมั่นนั่งอย่างนี้นะลวงปูมั่นก็ไม่ได้สนใจดอกลวงปูก็จ้องจ้องจ้องไม่กระพริบตาฮะ กระพิบการกลัวหายอ๋อกระพิบตากเดียวหายแล้วหายจะหาไม่เจอ่ะคือตายดูดูนานานานานมันไปก็จิตล้งปู่ก็ลงอารมณ์เป็นหนึ่งฮะมันก็เย็นเย็นเยนเไปสุดท้ายจุกปู่ก็ลงเลยลงแบบนั้นเย็นนี่นะ่ะคล้ายกันฮนะทําไมถึงคล้ายกันเพราะว่าตอนนาตมาเป็นล้งปู่บอกเราเป็นเหมือนกันเราบอกทําไมล้งปู่ไม่สอนผมตั้งแต่ต้นผมจะได้ไปเร็วท่านบอกตรงนี้สอนใครไม่ได้ให้มันไปเอง ทงนั้นหลวงปู่ดูลนถึงหลวงปู่มั่นยกย่องมาเป็นผู้ปฏิบัติทําได้เร็วมากตัดชั้นโยต์ได้หมดเลยฮะเพราะเลยฮะเพราะจิตไปสู่ความว่า ง, างทะ้นั้นจิตหลวงปู่ดูลนถึงอกทรงออกนอกไม่ได้หลวงปู่ดูลิบอกว่าจิตทรงออกนอกเป็นสมุดไทยเพราะจิตท่านอยู่ตรงนี้ทะนั้นท่านอยู่ตรงนี้ท่านทรงออกนอกไม่ได้เลยฮะทงนั้นธรรมะหลวงปู่ดูลนจะไม่มีข้างนอกจะอยู่ข้างในจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นมากเนี่ยน่มันแล้วก็เป็นในโรธคือความดับทุกข์เนี่ย มันจะชัดอยู่ข้างในอย่างเดียวบล็อกอยู่ในแก้วเลยฮะนะจะไม่มีอย่างอื่นดังนั้นธรรมะก็เราเป็นก็เราเป็นมาอย่างนั้นเนาะก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องพูดอย่างนั้นอเอ่ะก็เลยจะพูดอย่างอื่นก็พูดไม่ได้ก็พูดได้แค่ในรู้นั่นแหละอยู่นอกรู้ก็พูดยากนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้รับแขกไม่นายนั่งภาวนาเนี่เอามาแล้วหรอโอ้โหนาจากบนเร็วเอา้าวมาจากกรุงเทพมาไว้จริงๆนะ ออมันมาไวแล้วกินแป๊บแป๊มันมาได้ยังไงไอ้แก่ไม่รับเชิญก็ก็เอาอย่างเนี้ยทดลองดูนาโยมนะพราะโยมเนี่ยตมาที่ว่าโยมฟังอาการมาเยอะแล้วลองลองลองสูตรอาตมาดูเพรา่อตมาเพิ่งเปิดบริษัทใหม่เปิดได้ประมาณสองปีกว่านี่เองถ้งนั้นเจะคักสินค่าตมาจะไม่คุ้นเคยใครนไม่ค่อยคุ้นเคยไปสอนที่ไหนโยมตกใจ เพราะว่าเป็นยาสั่งก็ไม่ไ ม, ไม่มั่นใจฮะเลยเข้าหลังตมาก็เลยบินไปสอนอยุโรปเพราะสอนคนไทยก็รับไม่ได้ใช่ไหมเขากลัวแต่ตัวมาตอนนี้ก็ถ้ารับได้แล้วนะจิตเราจะเปลี่ยนเลยเพราะอาตมาสอนสอนธรรมะไปเปลี่ยนจิตเลยนะเปลี่ยนพบเปลี่ยนจิตเลยนะะจิตเปลี่ยนเลยฮนะเปลี่ยนเลยจิตเดิมหายจิตใหม่ขึ้นมาเลยฮน ะ, ะถ้าเข้าไปดูก็รู้เหมือนแค่เจ้าเข้าไปนิดเดียวก็เริ่มเปลี่ยนใช่ไหม แล้วมันเปลี่ยนนะข้อสมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอาจะถามอะไรต่อทางนู้นต้องกล้าหารชันชัยนักปฏิบัติถามเลยตอนมีชีวิตอยู่อ่อใช่ไหมทำไมถามตอนนี้จะไปถามตอนไหนได้เนี่ยคือส่วนมากก็ถ้าเราอยู่ตรงเย็นๆเนี่ยมันจะไม่มีคำถามน่ะอ่าเพราะไม่รู้จะถามเรื่องอะไรฮนะ มันถามถามไม่ออกเพราะมันอยู่แล้วอ้จิตจิตมันหยุดแล้วมันไม่ต้องถามไอ้ที่ถามมันมันไม่หยุดนี่นแหละเลือา ะ, ะมารู้ว่าโยมจะถามเยอะให้กินน้ำเย็นก่อนอกินน้ำเย็นจ น, ม, นมันถามไม่ออกเนี่ยถามไม่ออกว่าไงต่อเจ้า โยมสอดมากเลยฮะสอดสุดยิ่งก็สอดสอดเลยฮะเพราะโยมนั่งท่าไหนก็นแล้วแต่ขอให้สติโยมอยู่กับน้ำเย็นน้ําเย็นนะะครั้งเดียวนะถ้าเย็นอยู่ตรงนั้นโยมเชื่อมตรงนั้นนะนั่นคือความเพียรนะให้สติเราให้รู้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่รู้อย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นไม่รู้ไม่รู้อย่างอื่ น, นแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นก็มาไม่ได้นั่นคือความเพียรนะเพียร ไอ้นั้นไม่ได้ฮะไอ้ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนนั้นข้างนอกไอ้ข้างในตรงนี้ยโยมีเตะพุทบอลยังอยู่เลยฮะน้ำเย็นยังอยู่ที่เก่านึกว่ามันเตะที่ขาแล้วมันจะหลุดตามขาไม่หลุดนะเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยทางนั้นเลยไอ้ตัวกิริยาตรงนี้ถ้าเราจับตัวนี้แล้วไม่ต้องตามกิริยาตรงนี้ถ้าเราไม่จับตัวนี้ไม่ได้ต้องมาตามตัวนี้เพื่อหลอมสติไว้ ให้อยู่ในรอบตัวเราไว้นะเพื่อมันเข้ามาแต่ล้อมแล้วไม่เข้ามันไม่เข้าไม่ช่ายอะความเซ่อคือ <c oughs> รู้กายรู้ใจรู้จิต ร, รู้นู่นรู้นี่โอ้รู้เยอแยะโอ้ เออบางคนก็บอกว่ามีปัญญาเขารู้คนอื่นเขามีปัญญานะแต่เสือเอ็รู้ตัวเองอว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อไอ้จิตตรงนี้มีปัญญาไหมเออตอนรู้ตัวเองอ่ะเอ๊ะพ่อตะก่อนเคยรู้คนอื่นไว้ตอนนี้ไม่รู้จรู้เจ้า ข, ของรู้คนอื่นไม่ได้นั่นคือตัวปัญญาแท้ตัวปัญญาแท้ๆเลยฮะนะตรงนี้ไม่ต้องพิจารณากายนะไม่ต้องเลยโยมพิจารณากายไงก็ไม่ไม่ไปฮนะ เพราะมันไม่เกี่ยวกับกายมันจะอยู่ตรงนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องจนเป็นอัตโนมัติเลยฮนะแต่ไม่ได้ต้องหมายถึงว่าต้องไม่ต้อ ง, ง, งไม่ต้องโหเปน็นอังกินก็นตายแล้วเว้ยโอโหเล่นเรื่องเดียวนมันจะมีน้ำเย็ยนให้กินที่ไหนเว้ยแค่รู้ว่าตรงนี้น่ะตรงนี้อ่ะตั้งสติตรง น, รง น, รงนี้จิตจะไม่ออกนอกแค่นี้พอเออถ้าตั้งที่อื่นมันออกรับแขกแง่ เอายายอยากถามเลยะอะออบางคนจะไปกินทุกวันทุกวันตายเลยท้องก็ตึงหมดเลยแหละอ่าถ<อ>ูกต้องอะไรนะว่างไงนะอ เ, เอาน้ำเออย็นมให้อยู่เหรอ ไม่ต้องรอ้องไม่ต้องกินแนละ้วเออมาไหนนะอ่าอันนี้เขาเรียกขนทางขนทางเข้าไปสู่ตรงนั้นขนทางนะอันนี้ขนทาง ถ้าไปเดี๋ยวมันเทิมทํางานเองเงี้มันทํางานเองจะรู้เองว่าถึงตรงนั้นถึงตรงนั้นแต่ตรงนี้หนทางตรงนี้ไปตรงนั้นถ้าไม่หนทางตรงนี้มันไปไม่ได้อมันไปไม่ได้เลยอ่าเออเออ เฮ้ยไม่เอาเย็น <c oughs> เน้อโอ้โหม่ดูจมูกเออยังไม่ต้องตามอยู่ข้างในเลยะเออดูนั่นแหละไม่มันไม่ต้องมาทิชจมูกหรอกไม่เอาเ <c oughs> ย็นก็ไม่ต้องสนใจมันไปตรงนู้นแทนเดี<ะ>๋ยว <c oughs> มันไปเองเธอเรียนจมูกไม่ต้องตามมานะให้ไปอยู่ตอนนั้นเดี<ะ>๋ยวเราไม่เราไม่ให้มันไปเดี๋ยวมันลงไปเองน ะ, ะเออเขาค้องเองเหมือนเดิมอ่า เอาแล้วตรงนั้นว่างไงมีไหมใครจะถามก็รีบถามไม่มีถามก็เรียบร้อยอเพราะธรรมะมันต้องมันต้องต้องสอบอารมณ์กันนะอาตมาอยู่ครูบาอาจารย์ต้องสอบอารมณ์กันนี้เลยนะพราะลุงปู่อาตอมาภาวนาปั๊บลุงปู่เรียกไปถามภาวนาปั๊บลุงปู่เรียกไปถามจนสุดท้ายไม่มีคําำอาการภาวนาเของเรามันสุดแล้วลุงปู่ก็ไม่ต้องถามนาไม่ต้องถามเพราะมันตรงนั้นแล้ว บ้านหนึ่งตรงนั้นอ่ะตอนนั้นโยมท่านโยมเจอน้ำเย็นโยมก็ไม่กลัวไอ้ช่วงนั้นไม่เคยเจอเลยเพราะมันหายใจไม่ออกเพราะมันลงลึกเคาจะมาให้เลยกลั้นกลัวว่ามันมันจะนี่จริงๆเนี่ยอ่าเพราะตรงนั้นมันดึงลงปั๊บเลยไม่เกี่ยวกับหายใจก็เลยไม่ได้สนใจก็เลยหายใจไม่ออกน่ะไอ้นั้นคือด้านตรงนี้มันเดียวกันอันเดียวกันฮะอ่าไม่เป็นไม่ไม่เป็นแล้วตอนนี้แต่ไปดูตรงนั้นแทนเดี๋ยวก็จะเป็น ไม่เป็นไรดูน้ำเย็ยนไว้ อ, อยู่ให้มันลึกๆอ่ะคือไม่จำเป็นต้องตา ม, มาอะครับก็ดีก็เทศท่านจารย์เคยไปยังเขาตลาดเคยไปแล้วเนาะที่เขาตลาผมอยู่เคยไปยังยังไม่เคยไปเลยวัดใหญ่ที่สุดในโลกประมาณสองหมื่นไร่พอออกจากบ้านตาดไปรถสิบล้อ ถึงมีดินเยอะกาต้นไม้ก็เยอะแต่ตอนนี้ถวายในหลวงไปแล้วพระองค์ท่านทรงรับเรียบร้อยแล้วก็เลยทำกำแพงถวายในหลวงความจงรักภักดีต่อท่านอยากจะ ก, กันไม่พยุงท่านไว้เยอะโคตรพยุงเลยก็เลยนี่ไปเอาถ้างั้นกระรับผ่อนเนาะตรงนี้กระโยมก็นี่มาถามกันได้นะ ไปภาวนาก็เนี่ยเย่าดาวริวะอาปุราปาริป ORENDE จักรังเอวเมวะอิตดินังเปตานังอุปกัปะเตยเอติตังปะติตังโทมังกิพามีวะตะมิจตุตะเพป o r e n d ุสังขปัมจันโดปะนราโสยะถามณิโจติราโสยะถาสปีติโยวิวัจจันตุสัปโปโรโควินัสตสมาเตม พวตวันตารโยตุกีติกายุโกปวะอภิวาตนาสีเรตานิจังวุฒาปิัยโนจตารโอตมาวัจันเตอายุวันโนสุขังพลังยาจตสาตตาคาเตอจลาสุปฏิติตาสิรัญชายะชะเกลียนางเรียกกันตังปังสิตังสังเกปัสโตยาสัจูปุตันเจรตนัง อาตาลีโตติตังอาหอาโมคะจันจิติเวตังตัตมาสัทันจติลันจะปะตตังธรรมรัตนังอนโยเจตเมทาวีสรังบุตานัชชนันติปวัตุสะพมงคลังรักขันตุสปเดวตาจัปปะบุตานุปาเวนะจัปตมมานุปาเวนะจัปตังกาณุปาเวนะจดาโซตีพระวันตุเต